พดีครับเดี๋ยวเรารอสมาชิกเราสักแป๊บหนึ่งนะฮะวิวขาทาฝากเปิดไฟตรงนู้นหน่อยตรงนู้นแล้วก็ดองตรงนู้ น, นก็โอเคชุดต้องแล้วก็ตรงนู้นตรงบันไดโอเคฮะเดี๋ยวรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ทำแบบอยากจะรลีดพูดคุยกับสมาชิกแบบสบายส ใครมาแล้วทักทายมาได้เลยนะครับใครที่มาแล้วทักทายกันมาเลยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครมาแล้วกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนเลยนะฮะสวัสดีครับก็เดี๋ยวนี้เราคุย ต, ตามหัวข้อด้วยนะครับเรื่องการปรับทศัศนคตินะครับเรื่องการทำงานแล้วก็ตั้งใจทาแบบมืออาชีพนะครับเดี๋ยวนี้ต้องจะคุยให้ฟังด้วยนะครับในเรื่องของอาการทางานเชิงแบบเข้าใจจริงๆอ่ะนะฮะเพราะไม่งานก็ทุกคนก็จะมีคือถ้าทุกคนเข้าใจทุกคนก็จะมีผลลัพธ์ที่รวดเร็วเนาะ เดี๋ยวนี้เราคุยกันไม่นานนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนตั้งใจฟังนี่ตอมลีนะจะเป็นเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราตามนะครับผมตามสมาชิกผมแป๊บหนึ่งนะครับในกรุ่มนะฮะนะครั บ, นะรบตามสมาชิกแป๊บหนึ่ง ใครมาแล้วก็ทักทายกันมาเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันมาไว้ได้เลยนะครับก็เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้อมขออนุญาตตามชิมงานของตอมด้วยนะครับในห้องไลน์ตอมก่อนนะครับบางคนอาจจะกําลังเผล่อยู่นะฮะไม่รู้ว่าตอมจะไลฟ์หรือเปล่าจริงๆก็ประกาศไว้อยู่นะครับหัตยใหญ่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลย เดี๋ยว ร, รอสักนึงนครับวันนี้ผมบอกเลยว่าก็จะคุยกันนะครับก็จะมีโดสของการพูดคุยที่ที่ที่เข้มข้นมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ทำงานกันมาสักพักละสำหรับสมาชิกเก่าๆนะครับนะฮะโอเคนะฮะ เดี๋ยวนะใครที่อยู่ในกลุ่ม Facebook ก็ตามกันหน่อยะฮะตามกันหน่อยแล้วก็ในกลุ่มของ l ล n e นะครับกลุ่มของลก็ตามกันมาหน่อยะฮะเราจะได้พูดคุยกันนะครับรจะได้พูดคุยกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสวัสดีครับโคล่านะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวผมตามครบของผม8ดกลุ่มแล้วก็ผมก็จะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีต่างประเทศไหมเนี่ยต่างประเทศต่างประเทศอยู่ไหนเอ่ยใครมาขายสเต็มเซลล์ในกลุ่มเนี่ยนะฮะยังไม่ซื้อ เดี๋ยวค่อยไปซื้อตอนรวยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาอยู่เพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถึงหัวข้อที่ต้อมเขียนไวนะ้ในต้นเลยนะครับก็คืออะไรนะนะฮะปรับทัศนคติเรื่องการทํางานนะครับแล้วก็การตั้งใจทำนะแบบมืออาชีพนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวนะผมจะ ผมจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับในการไลฟ์วันนี้นะครับนะครับฮะโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับโทรศัพท์ละนะฮะตอนนี้เราก็มีสมาชิกมาเรื่อยๆเนาะผมวันนี้วันนี้สบายๆนะครับขอสบายๆ ปกติจะเห็นทาใส่เสื้อเชิ้ต business l ใช่ไหมแต่วันนี้ต้องขอสบายๆเป็นการพูดคุยกันดีกว่านะฮะกเ็เป็นยังไงบ้างกับการใครที่ทำมาสักพักใหญ่ๆ แ, แล้วเราเป็นเป็นยังไงบ้างกับผลลัพธ์ของตัวเองนะครับพึงพอใจไหมดีขึ้นไหมนะครับในการทำงานนะครับโอเค ก็ถ้าผู้นํานะครับผู้นําหลายๆท่านนะครับก็เข้ามากําลังชมอยู่ใช่ไหมอย่าลืมตามทีมงานมาชมนะครับเพราะว่าเราคุยกันแบบสดแหละก็จะจะแบบติดตามกันได้เนาะคือถามก็ได้แล้วผมก็จะตอบอแต่ว่าถ้ามันเป็นไลฟ์ย้อนหลังบางทีเราอยากถามอะ่ะผมก็ไม่ทันได้ตอบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะฮะ Okay. นะครับเอาละฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ Go! นะหลายคนก็พอใจพอใจนะครับคือต้องเห็นหลายคนทำงานเนาะก็แบบสุดยอดมากๆนะฮะ ไหนๆตามกันมาหรื อ, อยังเดี๋ยวผมจะไลฟ์แล้วนะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งมาเลยฮะถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งมาถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันวันนี้นะครับคือ ไม่ว่าใครจะทําทําพเกลียคิวด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะผมบอกเลยว่าคุณจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทุกตลอดเลยฮนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะจะเริ่มล้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮนะไข่รพร้อมแล้วก็กดหนึ่งเลยนะครับไข่พร้อมแล้วกดหนึ่งมาได้เลยฮะโอเค ชึบชึบเอชชึบเอชชึบโอเคนะพร้อมนะนะฮะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอมนะครับพาคเนตอัคราเยพัทนะครับก็โค้ชตอมนะครับก็บางคนก็เรียกน้องอตอมก็ได้นะครับผมไม่ได้ยึดติดกับในเรื่องของการเป็นโค้ชอะไรหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเราก็จะมีแบรนดิ้งของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งจริงๆผมก็คนธรรมดาเหมือนทุกท่าน นะครับแต่ น, นีเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ที่ตอมอยากจะคุยกับทุกคนก็คือในเรื่องของหลักฐานนะครับการเป็นการเป็นผลลัพธ์จากในเรื่องของตัว s ิสต e m มของ p a y q นะครับผมเชื่อว่าหลายหลคนเนี่ยเข้ามาทำตัว p a y q คนี้แน่นอนแต่ละคนเนี่ยมองเห็นเป็นโอกาสที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อยากมีกระเป๋าเงินเพิ่มใช่ฮะบางคนก็อยากทำเป็นธุรกิจเลยนะครับบางคนก็ มองหาอะไรไใหม่ๆทํานะครับบางคนก็อยากอยากลองอ่ะอยากพิสูจน์ว่ามันได้เงินไหมบางคนเข้ามาเข้ามาอยากจะผมให้ับว่าช่องเป็นช่องทางการจัดจาหน่ายอะไรของตัวเองก็แล้วแต่นะครับคือมันมีหลายปจายัจจัยหลายเหตุผลนะครับแต่ว่าเหตุผลหลักๆก็คือถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องของโครงสร้างมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณก็จะอยากได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นมากขึ้นในทุกวันถูกต้องไหมคุณพว่ว่าง่ายคือทุกคนก็อยากได้เงินจากตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย แต่ละคนเน่ยเข้ามาในระยะเวลาที่แตกต่างกันแต่ว่าผลลัพธ์ก็ไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับการลงมือทำนะครับคือหลักๆก็เนี่ยถ้าเราย้อนไปก่อนที่เราจะลงมือทำอะ่ะผมเคยพูดใช่ไหมว่า CB do h a v e ใช่ไหมฮะ C ก็คือการมองเห็นนะครับมองเห็นเรื่องอะไรมองเห็นเรื่องของวิสัยทัศน์ต่างๆนะครับมองเห็นในเรื่องของข้อมูลค้อเจริงนะครับความเป็นไปได้ของตัวเองนะครับและที่สําคัญคือก็มองมองมองเห็นว่าอนาโคสันจะไปในทิศทางไหนนะครับคือโดสของการมองเห็นแต่ละคนเนี่ยหรือสเกลของการมองเห็นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันตรงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของการการเพิ่มระดับความเชื่อให้ตัวเองเนี่ยมันก็มันก็จะมีไม่เท่ากันนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับก็เชื่อนะครับเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะแบบความเชื่อมันน้อยนึกออกใช่คือเอ อ, เ อ, อลองลองทำดูแล้วกันหนึพันึกออกใช่คือเมื่อเมื่อคุณยังไม่ได้มีความเชื่อนะครับหรือไม่ได้มีในเรื่องของแบบการมองเห็นวิสัยทัศน์หรือว่าคุณคุณไม่ได้มีแบบความความอยาก กระตือร้อนที่จะทําเนี่ยนะครับทัศนคติของคุณมันจะยังจะยังเป็นแบบว่าเออทาก็ได้ไม่ทําก็ได้คือมันคือทุกคนอ่ะอยากได้ความสำเร็จแต่ทัศนคติอ่ะมันไม่สําเร็จอ่ะนึกออกใช่ไหมคือทัศนคติบางคนยังเป็นลบๆอยู่เลยก็มีนึกออกใช่ไหมคอยจ้องจับผิดตลอดเวลาระบบเปิดเข้าไม่ได้หนึงก็เอาอีกแล้ไม่ดีอีกและนั่นนี่อีกแล้วใช่ไหมฮะคือมันเป็นทัศนคติลบๆนึกออกใช่ไหมหรือแม้กระทั่งบางทีก็จับผิดอัพไลน์ก็มีนะจับผิดอัพไลน์ไม่รู้จักทําไมนะฮะ มีทัศนคตินะครับในเรื่องของการทํางานการเรื่องใช้ระบบต่างๆนะครับที่ที่ไม่ดีก็ ก, ก, ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าเราอะจำเป็นที่จะต้องบังคับทัศนคติของเราฮะให้ไปในทิศทางเดียวกันฮะกับสิสเทมกับระบบแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าตัวเพจคิวคิเองเนี่ยมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากๆเครื่องมือที่มีศักยภาพมากๆนะครับคือหลกักๆเนี่ยมันง่ายใช่ไหม มันง่ายมันเร็วนะครับแล้วมันก็แมสเนื้อออกใช่ไหมฮะพอมันพอมันง่ายมันเร็วมันแมสเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พวกเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยคือความหลากหลายของของการทํางานเนี่ยนะครับมันมันมันมันมีฮะมันเป็นเรื่องศิลป์นะครับพวกนั้นน่ยความหลากหลายมันเป็นศิลปิลปะนะฮะมันเป็นศิลปะนะครับแต่ทีเนี้ยคุณลองนึกภาพนะทุกคนเนี่ย อย่างที่ผมบอกไงมาด้วยหลายปัจจัยถ้าคุณต้องการความสําเร็จแบบเล็กๆคุณก็ทําแบบไหนก็นได้ฮะมันมันมันไม่มีกรอบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้นมาคุณก็ต้องมีในเรื่องของการทํางานที่ที่ ท, ที่ที่ดีมากขึ้นละนะฮะและถ้าคุณยิ่งอยากได้ความสาเร็จแบบยิ่งใหญ่นะนะถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่นะคุณจําเป็นที่จะต้องใช้สิสเต็มในการนําร่องครับเพราะเราไม่สามารถใช้ศักยภาพของเราทําได้ นี่ผมบอกเลยนะครับตัวผมเองก็ที่ที่มาได้ขนาดนี้หกเดือนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ศักยภาพหรือความเก่งเราครับผมบอกเลยผมไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยนะผมแบบเผลอๆอ่ะมีบางคนในที่เนี้เก่งกว่าผมโปรไฟล์ดีกว่าผมฐานะดีกว่าผมหน้าตาดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่งมีเวลาที่เยอะกว่ามีเทคนิคที่ดีกว่ามีการพูดน้ำเสียงนะครับอะไรทุกอย่าง ค, คือดีกว่าหลายๆคนนะค่ะนะฮะ แต่ทำไม่ได้เท่ากันเพราะาอะไรเพราะว่าใช้สกิภาพตัวเองมากเกินไปนะครับคือเราอ่ะไม่สามารถใช้สกิภาพของเราอ่ะในงานที่เป็นแพสซีฟได้ผมจะบอกให้คือคุณสามารถใช้ได้ในช่วงต้นแค่นั้นแหละประมาณ10กว่าคน20กว่าคนเนี่ยอันนี้ไปดูแลก็เหนื่อยแล้วแต่คุณลองนึกภาพเนี่ยมันเป็นร้อยคนมันเป็นพันคนเป็นหลักหมื่นคนหลังหลายหมื่นคนอนะ่ะคุณจะไปลงยังไงไหวนึกออกป่ะ คือคือถ้าทัศนคติของคุณยังไม่ผ่านในเรื่องของการสร้างเลเวลเลตนะผมบอกเลยนะว่าคุณจะแอคทีฟไปต่อก็ ค, คือเอาง่ายๆคุณก็แค่หาคนใหม่แล้วก็สมัครแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งเพราะว่าเขาก็ไม่เป็นผู้นําทําไม่ได้นึกออกไหมฮะคุณจะเอามาทําไมฮะเงิน500ผมไม่เข้าใจเหมือนกันคุณคุณจะเอามาทําไมฮะห้านึกออกป่ะห้าร้อมันไม่ไทําให้คุณรวยขึ้นหรอกผมจะบอกเลยนะฮะห้ามันก็เป็นแค่เดินทางเติมน้มํามันกินกาแฟะอะไรก็หมดแล้วฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทัะนคติของผมนะเกี่ยวกับที่ที่ผมอยากจะแบ่งปันนะฮะก็คือในเรื่องของการสร้างทีมงา น, นะฮะที่เป็นทีมที่เกิดเลเวลเลจจริงๆด้วยระบบนะครับทีนี้เนี่ยทำไมทําไมถึงต้องใช้ว่าระบบคือบางทีเนี่ยเราเคยอาจจะผ่านธุรกิจขายตรงมาใช่ไหมเราก็มีระบบนั่นระบบนี่เยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะการทํางานที่เนี่ยระบบอะ่ะโคตรง่ายเลยคือมันไม่ใช่แบบที่จะต้องไปประชุมกันทุกสัปดาห์นึกออกปะ คืออย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมต้องวิ่งทุกสัปดาห์เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นคนทําระบบอยู่ช่วงนี้นึกออกใช่ไหมคืออยากให้แต่ละพื้นที่มันมีพอไม่ไปก็เรียกร้องนึกออกใช่ไหมพอไม่ไปก็จะมีคนเรียกร้องพอไปนะครับก็ ก, ก็ก็ดูว่ามันเยอะเกินไปหราจริงๆไม่ใช่นะครคุณต้องเข้าใจในเรื่องของสิสต์เต็มดีๆนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอีกเหมือนว่าในเรื่องของทัศนคติการทํางานของเราเนี่ยนะครับคือเอาไงไ่ายๆฮะคือคื อ, ค, อคือบวกไปเลยอะ่ะ คือถ้าคุณเห็นแล้วว่าทิศทางแบบเพลย์พีคพอคุณรู้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับคุณเห็นไหมว่า how to start ผมบอกเลยว่าตัดสินใจข้อเท็จจริงใช่ไหมพอคุณดูข้อเท็จจริงเสร็จแล้วปุ๊บนะครับคุณก็คุณก็ปรับทัศนคติของคุณได้แลคุณเห็นคนทํารายได้ได้ตัวคุณเองทํารายได้ได้ใช่ไหมฮะหรือทีมงานของคุณเนี่ยนะครับมีการที่ขยายทีมงานออกไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับคือคุณต้องเข้าใจแล้วนะว่าเออเนี่ย มันเป็นมันเป็นทิศทางที่คนเนี่ยทำแล้วได้เงินแล้วข้อทจริงนึกออกใช่ไหมฮะทีนี้การตัดสินว่าคุณจะมีทัศนคติแบบไหนไม่ไม่ใช่ดูจากสิ่งที่มันดีแต่ให้ดูจากปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเวลาที่ในส่วนของตัวเว็บเช่นอาจจะเข้าไม่ได้อ่าสมมตินะเข้าไม่ได้มีระบบไฟวอลขึ้นบ้างเกิดอ่าทราฟฟิกเออร์เลอร์บ้างอะไรแบบนี้เนี่ยวัดกันตรงนี้เลยบางคนนะด่าเลยป้งด่าเลยป้าเป็นอีกแล้วเหรอ ระบบล่มเหรอคุณคุณนึกออกใช่ไหมคือแสดงว่าคือบางบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใหม่ๆเหมือนกันนะครับบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นในคนใหม่ๆเหมือนกันแต่คนเกา่าเก่าผมบอกนะว่าคนเกา่าเก่าเนี่ยนะครับคุณต้องคุณต้อ ง, ค, องคุณต้องแบบรู้แล้วอะว่าพอเวลาที่มีปัญหาเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาเทียมที่แก้ไขได้เสมอทุกครั้งนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่เกิดปัญหานะครับทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาในเรื่องของสิสเต็มเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะกลับคืนมาสู่ปกติ แป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะกลับคืนมาสู่ปกติเลยเช่นวันนี้อ่ะวันนี้เนี่ยเกิด อ, อะไรขึ้นฮะบางคนโพสต์รูปภาพไม่ได้จริงไหมใครโพสรูปภาพไปได้บ้างกดสองมานหน่อยฮะโพส์รูปภาพจากมือถืออ่ะโพสตแล้วไม่ได้อ่ะโพสต์ไม่ได้อ่ะเกิดปัญหาแบบโพสต์ไม่ได้อ่ามีใครบ้างที่แบบว่าโพสต์ไม่ได้บ้างวันเนี้กดสองเลยฮะกดสองใครที่โพสตไม่ได้กดสองวันเนี้ยมีแบบ โพสภาพไม่ได้แนบสลิปไม่ได้ที่ทีมงานเราแนบสลิปไม่ได้กดสองหน่อยกดสองหน่อยมีแมมมีแหม ม, มีเห็นไหมมีอยู่แล้วนะครับคือคุณเข้าใจไหมว่าคือบางทีอ่ะคนเนี่มองอ่ะเป็นป๊บเป็นปัญหาแท้เลยโอ้โห อ, าอ้าวอีกแล้วโพสไม่ได้ทำไมวันนี้ระบบเป็นยังไงฮะทาไมวันนี้ อันนี้อยู่เหรอจริงๆแล้วผมบอกนะในระดับของของของผู้นําแบบพวกเราเนี่ยพอมันไม่ได้คุณก็ต้องรู้นะอ๋อก็มันอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ได้ก็รอก่อนยังไม่ต้องทํานึกออกใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวค่อยทําคือผมก็คอยตอบตลอดแหละคือเราเราก็เข้าใจว่าบางทีอ่ะคือด้วยความที่เพจคิ่ๆคนมันเสพติดนึกออกใช่ไหมหรือว่าบางทีอ่ะมันเป็นอีกอย่างนึ่งคือหนึ่งนะคือเสพติด2ก็คืออะไรไหมกลัวเว็บปิดกลัวมีปัญหาหรือว่ากลัวนั่นกลัวนี่มันจะมีมันจะมี นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับในเรื่องพวกนี้นะครับคืออย่างนี้คือเรื่องพวกเนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาที่เดี๋ยวระบบมันจะแก้ไขได้เพราะว่าพอเราแจ้งไปแล้วใช่ไหมมันก็ต้องเกิดการปรับปรุงอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งซึ่งเราก็รอได้มันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบไปไปคิดทัศนคติลบๆอะไรกับมันมันเป็นเรื่องแบบขี้ประติ๋วเลยฮนะมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆไอจริงๆแล้วผมบอกเลยนะว่าปัญหาเทียมแก้ไขได้แต่ปัญหาแท้อ ย, อยู่อยู่ข้างในทัศนคติแล้วก็จิตใจของเรา อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยที่ผมจะบอกว่าเวลาเราทํางานที่นี่นะทัศนคติของคุณนะถ้าวันนี้คุณมองภาพเล็กๆหรือว่ามองใกล้ๆนะคือมองมองหนึ่พันแล้วคุณก็ไปกังวลว่าหนึ่งของคุณจะหายไปไหมหรือว่าคุณจะทําได้ไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณกําลังมองผิดประเด็นละคุณกําลังมองผิดประเด็นละนะฮะคือในเรื่องของความความความเป็นจริง PEQ เนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามันมันวอร์มอัพกันมาเนี่ยหเดือนนี้ คือปัญหาที่เราเห็นนะ่ยก็มีปัญหาซ้ํำๆเดิมๆวันนี้เพียงแต่ว่าคือด้วยด้วยความที่มันแบบขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณต้องคุณคุณต้องใจใหญ่ๆเลยคุณต้องใจใหญ่คุณต้องใจใหญ่จริงๆฮะในการเริ่มต้นโปรจากนี้เพราะว่าคุณไม่ได้เข้ามาเป็นยูเซอร์ธรรมดาคุณเข้ามาเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มแรกๆอะ่ะกลุ่มคนแรกๆผมใช้คำว่าของโลกเลยนะกลุ่มคนแรกๆของโลกเลยนะฮะ ที่มาช่วยกันนะทําให้มันเกิดมูลค่าเกิดขึ้นทําให้มันเกิดเป็นสิ่งที่มาสัจจรเกิดขึ้นคือคือถ้าคุณจะมาเป็นแบบโอ้ยอิบยิบย่าๆมาเป็นเหมือนมาเป็นเนหมือนมดตัวเล็กๆอะนะฮะคุณก็จะเป็นเพียงแค่คนที่เข้ามาใช้งานปกติผมถึงบอกนะว่าวันนี้เข้ามาฮะคือคุณต้องใจใหญ่ๆคือคุณกําลังทํางานใหญ่ใจคุณต้องใหญ่ใจคุณต้องนิ่งมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าวันนี้นะ อ่าไม่ใช่เท่านี้ถ้าไปอีกสิปีข้างหน้านะคุณลองนึกภาพในอีก10ปีข้างหน้านี้นะฮะหรืออีก5ปีข้างหน้าเนี้โอ้โหมันจะมีมูลค่าขนาดไหนนะสำหรับตัว p พลแล้ววันนี้คุณจะไม่เสียใจเลยที่คุณที่คุณมีทัศนคติที่อยู่ไปพร้อมๆ ก, กันกับตัว p พลีินะครับแล้วทําและเติบโตไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนะคือบางทีอ่ะเราก็ต้องกลับมาถามตัวเรานะว่าอ๋อไอ้ปัญหาแค่นี้มันจัดระบบมันจัดการได้ไหม ค, คือทุกครั้งมันจัดการได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาคุณลุงคุป้านะถ้ามันมีปัญหาแน่นอนฮนะเจ้าของทุกคนไม่อยากให้เว็บที่มีสมาชิกใช้เนี่ยเกิดมีปัญหาเขาก็ต้องแก้ไขแต่สําคัญที่ตัวเรานี่แหละว่าเรามีทัศนคติยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนหนาะใจเย็นๆ น, นะครับเรายังอยู่กันอีกยาวนะครับคุณทําวันนี้ไม่ได้คุณก็ทําวันพรุ่งนี้ไม่เห็นเป็นไรนะนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น พลังพลังความคิดบวกของคุณเนี่ยมันก็คือดูข้อเท็จจริงเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็รู้ใช่ไหมว่าอ๋อโอเคถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นโมมันก็เป็นเต็มที่ไม่เกินวัน2องวันหลอกไอ้พวกปัญหาเรื่องการโพสต์อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็กลับมาปกตินะครับบางคนมองว่าพอโพสต์ไม่ได้ปุ๊บอุ้ยเป็นการแบบเสียผลประโยชน์หรือเปล่านะฮะเสียผลประโยชน์นะฮะคือเอาตรงๆนะเสียผลประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตรงนี้หรอกครับ คือตั้งแต่คุณซื้อ้นที่มา 1,000 น่ยแล้วคุณก็สามารถมีสิทธิ์ในเรื่องของการทําแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้ผมก็ว่านี่คือโคตรผลประโยชน์แล้วนึกออกใช่ไหมฮะคือโคตรผลประโยชน์แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยได้เงินไปแล้วก็มีนะครับกดถอนเงินไปแล้วก็มีบางทีก็ทําผิดขั้นตรงขั้นตอนเราก็คือช่วยเหลือกันนะฮะ เพราะว่าบางคนก็จะมีปัญหาเยอะใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องการใช้อีเมลเกี่ยวกับเรื่องการใช้อายทิต่างซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้ยากหรอกมันก็ง่ายๆนี่แหละนะครับคือบางทีอ่ะเราไปคิดให้มันยากนึกออกใช่ไหมอ๋ออันนี้ไฟไฟไ ฟ, ไฟพัดลมผมดับไปตัวหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรมองมองเห็นกันอยู่เนาะนะฮะคือเราอย่าไปคิดให้มันยากนะครับเราคิดทุกอย่างให้มันง่ายนะครับโปรเจกต์นี้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับเพราะาอะไรคุณลองนึกภาพนะคุณจะไปฝึกทํางานใหม่สักที่หนึ่ง โอ้โหกว่าคุณจะทํางานเป็นคุณก็ต้องใช้เวลานะฮะไม่ใช่จุตรงเหตุคิวเ่ยคุณคุณเข้ามาโอเคในพื้นที่เนี้ยแน่นอนคุณก็ต้องมีการฝึกมีการเรียนรู้บางคนไม่เคยเรียนรู้ด้วยซ้ำแต่อยากได้เงินคุณนึกไหมคือบางคนน่ยไม่ยอมที่จะเรียนรู้คือรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ ว, ลวสักพักทําใช้สงังเกตภาพตัวเองไม่รู้เรื่องรู้แาวอะไรไม่ยอมใช้ระบบจริงเถต่างต่านาะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กระเด็นออกไปนะ อย่างที่ผมบอกไงว่าวันนี้ระบบ6กสเตปที่ผมที่ผมรีดขึ้นมาไว้เนี่ยนะครับสำหรับตัวเพจค q วเนี่ยมันเป็นกลวยกองคนออกไปนะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นคนมันไม่ใช่เป็นกองคนที่ใช่นะแต่มันเป็นกลวยกองคนที่ไม่ใช่กระเด็นออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาทํางานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาแล้วออกไปบางคนเข้ามาเหมือนจะดีนะสักพักก็ออกไป ก, ก็ไม่ว่าเขานะก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับวันนี้เราโฟกัสในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยบอกเลยนะว่า นะตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแน่นอนฮะการที่จะต้องปรับให้ทัศน์ให้ทัศนคติของคนของเราเนี่ยมารวมอยู่ที่เดียวกันแล้วมีความคิดหรือมีทัศนคติที่คิดในในในเชิงที่เป็นความสําเร็จเหมือนเหมือกันเนี่ยอันนี้จําเป็นมากบางคนบอกว่าต้องคิดแตกต่างใช่ถูกต้องคือกูคิดต่างมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคิดต่างให้เหมือนกูเดี๋ยวได้เงินจบไหม <c oughs> นี่ของใช่ไหมฮะคือตัวเราเองเนี่ย คือเรากําลังอยู่ในเส้นทางของกรอบความคิดอ่ะที่มันแตกต่างกับชาวบ้านชาวช่องเข้าอยู่นะครับไม่มีใครไม่มีใครเคยรู้จักโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแบบนี้คือผมบอกเลยนะว่าคุณโอมเจ๋งมากที่คิดโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของความคิดความคิดต่างหรือความคิดการขยายกรอบของคุณโอมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคือตามความคิดเขาให้ทันแล้วกันในเรื่องพวกเนี้นะฮะคือโอเคโยมมึงคิดได้แบบนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปกับพี่แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเราเราเราไหลไปตามกันอนะ่ะคือคุณเข้าใจไหมว่าคือพอเรากระโดดกท่ามละนาบความคิดมาแล้วในทิศทางหนึ่งโอเคเมื่อมันฟอร์มแล้วเนี่ยปุ๊บเอาไปเลยฮะไม่ต้องไปคิดยุกยิกยุงย่งหญิงยำยำยิมย้มยิอนะไรฮะเพราะฉะนัพอพอเวลาที่ผมบอกอะไรเนี่ยหรือว่าผมคิดอะไรได้ปุ๊บเนี่ยผมจะลองทําก่อนไม่ใช่ผมปุ๊บปั๊บแล้วก็เอามาลงผมทํามาแล้วฮะเรื่องพวกต่างๆนานาเนี่ยที่เอามาลงเนี่ยนะฮะคือเอาง่ายๆคือ ผมเดินผมเดินมาเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยระยะเวลา6เดือนเนี่ยผมแตะหลักร้านไปแล้วเนี่ยพวกคุณอยากได้ใช่ไหมพวกคุณก็เดินตามผมมาสิครับนะฮะคือทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ ย, ายบางทีก็เดินออกข้างทางบ้างบางทีก็รอบ้างผมก็ไปดึงกับมาตลอดนะผมก็ไปดึงกับมาตลอดนะฮะเฉนะพาะคนที่ผมอยากจะดึงด้วยนะฮะแล้วก็เฉพาะคนที่ยอมให้ผมดึงด้วยนะใครที่ใครที่เฉยๆห ร, หรือไปไปมาหรือหันหันหันมา ลบกันก็ก็ต้องปล่อยไว้ก่อนคือผมจะไปเสียเวลาทํางานคนอย่างนั้นทำไมจริงไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีทีมงานตั้งหลายคนที่อยากได้เหมือนเราอยากไปพร้อมเราเนี่ยนะครับคือช่วยโชว์อัพมาหน่อยนะครับโชว์อัพมาเป็นมาเป็นพวกเดียวกันนะฮะมาเป็นมาเป็นทีมงานเดอร์แฟชั่นด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะแค่สายเรานะผมบอกเลยนะว่า ทีมอื่นนะครับหรือใครก็ตามแต่ที่ไม่ได้อยู่ในสาย ง, งานแต่แพชั่นเนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมก็ยินดีนะครับอย่าทำผมงอนก็พอนะฮะอย่ากวนตีนผมก็พอเพ <c oughs> ราะ บ, บางทีเราก็มีมีสมาชิกของเราอยู่แล้วใช่ไมแล้วก็ถามว่าเรายินดีไหมก็ยินดีหมดละครับมาได้เลยฮนะผมชอบนะที่เราจะมาจับกลุ่มคุยกันนะครับแล้วก็คิดในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยคือ มีก็มีหลายหลาหลายคนนะหลายโค้ชหลายท่านนะครับที่ที่เก่งๆนะฮะในในทีมเราก็มีตั้งเยอะตั้งเยอะเลยทีมอื่นก็มีฮะมีผมมีเห็นมีหลายคนนะฮะเก่งๆเลยนะครับก็ก็ทํางานด้วยกันได้ทั้งหมดฮะเพราะว่าในระดับของลีดเดอร์เนี่ยนะครับมันคุยภาษาเดียวกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของหน้างานเนี่ยที่เป็นกับสมาชิกกับบางคนก็คือแบบใหม่ๆอย่างนี้ใช่ไหมสำคัญเลยที่เราก็ต้องเอาในเรื่องของโน้ตหาวต่างๆใช่ไหมเอาโน้ตหาวต่างๆงเราเนี่ย เอาในส่วนของข้อมูลข้อได้จริงวิธีการทํางานของเขาเนี่ยนะครับให้เขาด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขานะมันจะจบอยู่ที่เรานึกออกใช่ไหมเช่นคุณคุณเคยไปไปงานเทรนนิ่งมาที่กรุงเทพอ่ะคุณเคยไปงานเทรนนิ่งมาแบบนี้พอคุณเข้าเสร็จปุ๊บคุณเข้าไปเนี่ยคุณไปตั้งใจเรียนแต่คุณไม่ได้จดไว้หรือว่าคุณไม่ได้คุณคุณไม่ได้เข้าใจจริงจริงเนี่ยพอคุณออกมาจากห้องคุณจะลืมเลยผมบอกนะคุณจะลืมไปเลยฮะ ผมย้อนถามไปเลยเนี่ยใครที่เคยเข้าห้องเทรนนิ่งเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมว่าเนื้อหาในห้องเทรนนิ่งมีอะไรบ้างคอนเซปต์ Concept, หรือเนื้อหาในห้องเทรนนิ่งมีอะไรบ้างบางคนก็จําไม่ได้นึกออกใช่ไหมคือบางคนจําไม่ได้คือกูไปอ่ะเออเออรู้รู้รู้ไฟเต็มพอไปงานปู๊ไฟเต็มโอ้ไฟลุกออกจากงานมาประมาณสองาทิตย์ไฟมอดแล้วกูกนึกนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมฮะคือคือพอ พอเข้าไปงานหรือว่าเนี่ยโอ้โหเติมไฟเติมนี่ให้กับตัวเองซึ่งจริงอ่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือบางทีเนี่ยพอเวลาเราออกไปทํางานใช่ไหมคุณคุณคุณแบบฟูลพาวเวอร์ฟอลฟูลพาวเวอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับพอคุณเข้าไปงานเสร็จปุ๊บคุณออกมาโอ้พลังเั็มเต็มพอออกไปทํางานปุ๊บเจอข้อคิดเห็นเจอเจอเจอคนกวนตีนเจอเสียงหมาเสียงเห่าเดินเหยียบก้อนหินเดินเหยียบขี้หมาตุ๊บตับติ๊บตบโอ้โหแป๊บหนึ่งพลังหมดพลังหมดพลังหมดโอ ح, ้กูไม่ทำแล้วดีกว่า เป็นไหมคือมันมีนึกออกใช่เนี่ยสำคัญเลยผมถึงบอกว่าเออถ้ามีโอกาสที่เราจะได้เข้ามาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการอันอยู่ในฟังชันออฟไลน์มูลฟังชันออฟไลน์จาเป็นมันสร้างผู้นำมาเยอะมากนะครับคือนะฮะเราเราจำเป็นมากๆเลยนะครับในเรื่องของการการพัฒนาลีดเดอร์ของเราด้วยอย่าอย่าให้สิ่งที่เราไปเรียนมาจบอยู่ที่ตัวเราเอง ให้เอาสิ่งที่เราเรียนมาหรือรู้มาหรือตกผลึกเนี่ยหรือคุณคิดได้เนี่ยแล้วผสานปนเปกันได้เนี่ยนะครับส่งต่อให้กับทีมงานคุณด้วยนะครับส่งต่อให้กับทีมงานคุณด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ได้ส่งต่อมันจะจบอยู่ที่ตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นฮนะเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้นําทุกคนจะต้องเป็นฮนะคือผมอะ่ะถ้าคุณอยากจะให้คนของคุณอะ่ะ มามามาอยู่กับมามาอยู่แล้วอยู่ในค่าเฉลี่ยของการเรียนแบบนี้อย่างวันนี้นะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าผมมีไลฟ์ผมประกาศไว้แล้วตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ประกาศไว้เมื่อวานด้วยว่าวันนี้ผมจะไลฟ์บางคนก็โอเคกูครู้แล้วแต่กูไม่ได้บอกทีมงานกูนะว่าโค้ชจะมีไลฟ์เนื้อออกไหมฮะมันก็จะจบอยู่ที่ตัวคุณแต่ทีมงานคุณเขาอาจจะอยากดูก็ได้เนื้อออกไหมฮะถ้าเขาอยากดูแต่คุณไม่ได้บอกเขาเนี่ยนะครับ ม, มันมันมันก็ไม่มีใครรู้คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ ผมมองนะครับผมลองผมลองรีเช็คพวกไวททอรไซด์ต่างๆในการในการเข้างานนะครับผมเก็บสถิติหมดนะในการเข้างานนะครับในการทําฟังก์ชันนะครับในการไลฟ์ต่างๆเนี่ยนะครับคือไวททอรไซด์เราเนี่ยนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้นำนะก็จะมีจะมีอยู่ประมาณ 100- ยถึงสามคนถึง300คนนะครับในสายงานนะครับแล้วก็จะมีผู้นําอื่นๆทางทางทีมอื่นๆด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ยินดีนะครับทีนี้เนี่ย คุณลองเช็คคุณลองรีเช็คนะฮะเวลาที่เวลาที่เราเนี่ยนะครับดูดูจำนวนทีมงานที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนในในในทีมเราเนี่ยผมบอกกันนะว่าผมรีเช็คจำนวนของของรายได้ 1% นตะฮะติดมาตลอดประมาณ6เดือนเนี่ยนะครับเดือนนี้เดือนที่7จเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบเก0 0 0หคน เกือบเกือบห้าหมื่คนในในโครงโครงสร้างผังที่ผมได้รายได้นะยังไม่รวมกับส่วนที่ไม่ได้รายได้ด้วยนะที่เลย20ชั้นไปแล้ว อ, อันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเยอะนะฮะคือคือบางทีเนี่ยมันมันเข้าไม่ถึงคนเหล่านั้นนึกออกไหมฮะคนคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้เราเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้ส่งต่อวัฒนธรรมพวกนี้ไปนึกออกไหมฮะคือบางคนเนี่ยเคยดูแต่คลิปใน YouTube แต่ไม่รู้หรอกว่าจะจะจ ะ, จะติดตามเรียนรู้ยังไงนึกออกไหมฮะ เพราเนี่ยหน้าที่ของผู้นำอ่ะคือคุณคุณต้องรีเช็คทัศนคติของทีมงานรีเช็คการส่งข้อมูลต่างๆไปนะครับให้กับทีมงานเราให้เขาอ่ะสามารถรับข้อมูลให้ได้นะครับถ้าเขาไม่สามารถรับข้อมูลได้มันก็จบอยู่ที่ตัวคุณอย่างที่ผมบอกแล้วมันก็ไม่เกิดการต่อยอดไม่เกิด l e v e ลเลชไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ผลอะไรนึกออกไหมคือมันไม่ได้อะไรถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เลเวลเลชไปนะฮะมันก็จะเป็นการที่คุณเนี่ยเพิ่มสมาชิกด้วยตัวคุณเอง นึกออกไหมคุณอะเพิ่มสมาชิกด้วยตัวคุณเองมีคุณทําอยู่คนเดียวในสายงานคุณก็ทําทำคุณมีศักยภาพคุณก็ทำทำทำทำทำทำทำไปนะหรือแม้กระทั่งทีมงานของคุณอะไม่เคยมาเข้างานเลยคุณก็ไม่เคยไป lead ไหมให้เขาเข้างานนึกออกไหมเนี่ยแสดงแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัว system นี่บ อ, อกไหมฮะคุณใช้สกภาพของตัวเองคือคุณไม่สามารถไปหลีคนทุกคนได้ครบหรอครับผมบอกเลยฮะต่อให้คุณจะทําคลิปต่อให้คุณจะมานั่งไลฟ์แบบผมนะครับหรือต่อให้คุณจะทําเครื่องมือต่างๆบบผมบอกเลยนะว่าถ้าผู้นําไม่เกิดการเข้าใจหรือไม่เกิดการมองเห็นในระดับที่ใหญ่พอจากงานฟังก์ชันออฟไลน์นะนะครับไม่เกิดมันจะมีอยู่ไม่กี่คน ที่ที่ที่โฟกัสเป็นคนสําคัญจริงๆมันจะมีอยู่ไม่มีคนอย่างผมผมผมอันนี้ผมต้องยกเครดิตให้เลยนะผู้นําจากโอเวอร์ซีที่เป็นเซนเตอร์ตอนนี้มีเซนเตอร์2คนแล้วจากโอเวอร์ซีนะครับมีที่มีคุณเจนนี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่รู้สึกว่าจะชื่อคุณอะไรนะผมจำไม่ได้นะฮะอยู่ที่ชิคาโกอีกคนหนึ่งนะครับมี2คนนะครับมี2คนรู้สึกอยู่ชื่อคุณแอนนี่หรือเปล่านะแอนนี้มั้งนะฮะสคนนี้แน่นอนฮะอย่างคุณเจนนี่เนี่ยคุณเจนนี่ก็ ก็ทําออนไลน์คือไม่เคยมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่เคยมาเข้างานฟังก์ชันแต่เขาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมเขาดูคลิปผมทุกคลิปเลยคือดูคลิปผมทุกคลิปเลยไม่มีคลิปไหนที่เขาไม่ดูนะครับแล้วก็ตกผลึกทางด้านความคิดแล้วก็ทําอย่างอย่างเข้าใจคือเขาทําอย่างเข้าใจเขาสร้างแบรนดิ้งตัวเองผมบอกเลยวันนี้ทุกคนเนี่ยรู้จักโคจเน่นะครับเพราะว่าเขาทําเขาทําแบรนดิ้งไปแล้วไงนึกออกไหมฮะถ้าคุณไม่ได้ทําแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักคุณหรอกครับ หรือแม้กระทั่งตอนตอมเองสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าถ้าตอมไม่ทำาพ q เนี่ยนะครับผมบอกเลยไม่มีใครรู้จักผมหรอกนะึกออกมฮะมันไม่มีใครรู้จักผมอยู่แล้วนะึกออกไหมฮะผมก็คนธรรมดาเหมือนทุกคนนี่แหละนะครับแต่วันนี้ทำไมคนถึงรู้จักตอม น, นะครับเพราะว่าเราได้สร้างในเรื่องของแบรนดิ้งมาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยคือถ้าเอาเอาวะคือผมผมก็มั่นใจนิดนึงอะ่ะว่าถ้าพูดถึง P q อว่ะมันต้องนึกถึงหน้าผมบ้างอะ่นะนะึกออกฮะคือผมอยากให้ทุกคนะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยคือ คือถ้านึกถึงเพจคิวอ่ะต้องนึกถึงคุณนะ่ยแบบนี้ในทีมงานของคุณนะี่ยนึกออกไหมฮะเนี่ยฮะเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนะ่ยคือคุณจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของระบบการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ออนไลน์อะ่ะคอรหลายๆท่านน่ยมีคลิปอยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะเพียบเลยในยู u ูบเนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับเอามาใช้ฮะคุณก็เข้าไปดูก่อนว่าเฮ้ยอันไหนที่มันใช้กับงานแล้วนะ ถ, ถ้าสมถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ทําคลิปเองใช่ไหมคุณก็ไปดูก่อนว่าเฮ้ยของใครอะ่ะใช้ได้บ้าง แล้วคุณก็เข้ามาเป็นห้องเรียนรู้ของคุณคุณก็เอามาใช้คุณก็เอามาดูคุณามาศึกษานะครับคืออย่าดูอย่าดูครั้งเดียวะคุณเชื่อไหมว่าอย่าง อ, นนอันนี้ผมผมผมยกตัวอย่างนะครับผมดูคลิปของโค้ดบอยอ่ะผมดูคลิปของโค้ดบอยโค้ดบอยเขาก็จะถ้าเป็นตัวจริงเขาเขาจะตัวใหญ่ๆสูงๆนะนะครับคือถ้าใน Facebook เขาจะดูแบบแรงๆหน่อยแต่ผมบอเลยเขาเป็นคนน่ารักมากนะฮะคือผมไปดูคลิปของโค้ดบอยผมบอกเลยอุย๊ยผมเห็นแล้วคนนี้ทำคลิปเจ๋งมาก เดี๋ยวเล็กหน่อยเนี่ยเรามองปุ๊บเรารู้แลเฮ้ยเดี๋ยวเลกหน่อยเนี่ยคนนี้จะต้องเป็นเจ้าพ่อคลิปแน่นอนทีนี้เราก็เราก็ใช้เราก็แบบใช้ระบบสิฮะในเมื่อเขาทํามาแล้วเนี่ยเขาทําดีเขาทําสวยเขาทําเข้าใจง่ายผมก็ใช้ของเขาเลยนะครับใช้ของเขาเลยนะฮะพี่บอยไม่ว่ากันนะฮะพี่บอยไม่ว่ากันถ้าดูคลิปอยู่อย่างเช่นคุณบอยทำโค้ดบอยทําอ่อคลิปของการสมัครสมาชิกนะครับ ทำการแนบสลิปทําการจ่ายเพย์พาลทาการเช็ควิวอะไรพวกนี้มาคือเขาทําดีมากผมก็เอาของเขามาใช้เนี่ยมันเป็นมันเป็นระบบที่ใช้ง่ายนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยเข้าไปดูในเรื่องของคลิปพวกนี้เลยนะคุณก็จะไม่เข้าใจบางทีนะผมไปดูคลิปเขาเนี่ยเขายังพูดในใน ใ, ในสิ่งที่บางบางครั้งเนี่ ย, ย, บบ น, ยนะครับผมยังขาดตกบกพร่องไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านเน่ยเขาก็จะมีความรู้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาเอาไปใช้เอาไปใช้นะครับ응เอา้าพี่บอยมาด้วยเหรอ <laughs> ไม่รู้เนี่ย พี่บอยมาด้วยนะฮะขอบคุณนะครับพี่บอยทําคลิปดีๆออกมาสวยมากนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ผมก็เอามาใช้เลยนะพี่นะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ออนไลน์เห็นไหมผมก็หยิบเครื่องมือหลายตัวฮนะมาไว้ให้ทุกท่านใช้ทีเนี้ยมันสําคัญแล้วว่าคุณเน่ยเคยดูแล้วคุณเน่ยเคยส่งต่อไปให้ทีมงานคุณหรือเปล่าเช่นทีมงานของคุณอยากจะสมัครบางคนนะี่ยนั่งสอนเขาเลยไอย้นี่มันต้องกดตรงนี้นะผมนะไม่ใช้เลยผมส่งคลิปพี่บอยเลยปึง้ง เนี่ยดูสมัครแบบนี้หรือแม่หรือแม่กระทั่งคลิปของคุณนัทคลิปของโค้ดนัทโค้ดนัทโคราตนะฮะผู้ชายนะโค้ดนัทชายนะเขาก็ทํามาก็ดูเข้าใจไงผมก็อันเนี้ยส่งเลยปึง้งง่ายๆนะฮะเขไม่ต้องไปพูดเองไนงะพูดเองทําไมนะครับให้เขาคือถ้าคุณคุณรู้ไหมว่าคนที่ดูอะ่ะพอเขาดูเสร็จแล้วอ๋อเขาจะเข้าใจในเรื่องของการทําไปเลยแต่ถ้าคุณไปบอกนะแต่ถ้าคุณไปบอกนะเขาจะมองไม่เห็นภาพแล้วเขาจะทํายากมาก แต่ถ้าให้เขาทําตามคลิปนะฮะผมบอกเลยเดี๋ยวเขาทําเป็นแล้วเขาจะไม่ต้องมาแล้วเขาจะไม่มาแล้วเขาจะก็จะใช้คลิปนั้นเป็นด้วยคือเขารู้แล้วใช่ไหมว่าอ๋อเขาเรียนรู้จากจากคลิปของค น, นงเนี้ยของโค้ดบอยเนี่ยนะครับสแสดงว่าถ้าเขาทําเป็นทีมงานของเขาก็สามารถใช้คลิปเนี้ยแล้วก็ทําเป็นได้ด้วยคุณเห็นอะไรเกิดขึ้นคุณเห็นการส่งต่อบไหมเพราะฉะนั้นฮะเราอย่าใช้ศักยภาพตัวเราเองให้ใช้ระบบคือเอาง่ายๆถ้าถ้าเลือกระหว่างผมทํางานแบบเวิร์กฮาร์ดนะ ผมขอทำงานแบบเวิร์ m สมาร์ทดีกว่าผมไม่ชอบทำงานหนะักแต่ผมชอบทำงานแบบฉลาดฉลาดนะครับแต่วันนี้ผมทำมากพอจนเห็นผลลัพธ์ไงอย่างบางคนเมื่อเช้าเห็นผลลัพธ์ผมไปแล้วนะฮะใน6เดือนที่ผ่านมานะครับผมมีเรื่องของรายได้นะครับที่เป็นเงินหมุนเข้ามาในตัวของบัญชีผมเนะี่ยมากกว่า3ล้านมากกว่า3ล้านบาทอ่ะนะฮะจากเงิน 1,000 บพทนะผมยังตกใจเลยนะฮะคือต้องบอกว่า เราเนี่ยก็ก็โฟกัสมันแบบจริงจังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนอ่ะโฟกัสมันแบบจริงจังเหมือนกันนะครับในเรื่องของการทำทำการส่งต่อเนี่ยนะครับมันสําคัญเพราะว่าถ้าคุณส่งต่อเป็นเนี่ยทีมงานของคุณก็จะขยายเร็วนะครับแต่ถ้าคุณส่งต่อไม่เป็นเนี่ยทีมงานคุณก็จะขยายช้านะครับและก็มีอีกหลายคๆคนเช่นโค้ดของออคลิปของพี่1ใช่ไหมโค้ดของคลิปของพี่1แต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะต้อง รีรันเป็นระบบใหม่แล้วเพราะว่าคลิปของพี่หนึ่งมันเป็นระบบเก่าใช่ฮะแต่ก็ใช้ได้คุณนึกออกไว้ว่าใช้ได้เพราะว่าพี่หนึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานไงว่าทำไมคนไฮโปรไฟที่แบบเป็นนักธุรกิจเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยเขาถึงทำแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของอุยมีหลายคน่ะที่ที่ทำคลิปมาพี่เจนนี่พี่ดาดา้าอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่ง โคดนัทรีโคดนัตตี้อินเทนดี้อย่างเงี้ยฮะเขาก็จะเขาก็จะทำคลิปของเขานะฮะเขาก็จะเริ่มมีในเรื่องของการไลฟ์วิดีโอของเขาเนี่ยคือคุณคุณพยายามใช้เรื่องราวเหล่านี้ฮะหรือพวกเครื่องมือผมใช้คำว่าเครื่องมือในการเครื่องมือพวกนี้ในการสร้างทีมคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณมีเครื่องมือพอคุณมีระบบการทํางานที่ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเนี่ยนะครับคือคุณต้องเข้าใจงี้ว่า ระบบที่ผมพูดถึงเนี่ย system ท, ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกคือพาร์ทออฟไลน์พาร์ทที่2คือพาร์ทออนไลน์พาร์ททุกพาร์ทเนี่ยนะครับบางทีอ่ะถ้าเราพูดคําว่าระบบบางทีคุณคอ่ะเฮ้ยระบบอะไรวะกูไม่เคยสัมผัสกูไม่เคยรู้มาก่อนเลยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคือมันจับต้องไม่ได้นึกอหมแต่จริงๆผมบอกยนะว่าถ้าคุณใช้เป็นจับต้องได้ฮะจับต้องได้เลยครับใครที่ใครที่เอ่อใช้เป็นนะผมบอกเลยนะว่าหนึ่งที่คุณจะจับต้องได้ก็คือ คุณสามารถทำงานง่ายขึ้นคุณต้องตั้งคุณต้องตั้งคำถามหนึเออฉันน่ะอยากทำงานง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าฉันอยากทำงานง่ายขึ้นอ่ะโอเคกูใช้ระบบดีกว่าใช้ทําไมศักยภาพตัวเองเนื้อออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะพอคุณใช้พวกเครื่องมือเหล่านี้ยคุณก็จะสามารถสร้างกรุ๊ปการในลูงคุณได้สร้างโปรเซสของทีมผู้นําคุณได้เช่นอ่ะคุณอาจจะมีกรุ๊ปไลน์หรือว่าคุณอาจจะมีกรุ๊ Facebook ของคุณนะครับอ่ะกลุ่มนี้คือคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มสนใจธุรกิ นะครับอี azz, อกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้นำอย่างของผมผมมีกลุ่มผู้นำหลายกลุ่มเลยนะฮะกลุ่ม new leader กลุ่ม go to leader อะไรพวกนี้นฮะผมจะมีนะครับผู้นำแต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขนในการเข้ามานะครับผมก็สามารถรีเช็คไวาทัวไซด์ผู้นำของผมได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมว่าผมอ่ะใช้ระบบในการสร้างผู้นำผมไม่ใช้ระบบของการทำงานเองนะครับผู้นำของผมแต่ละคนฮะจะมีผลลัพธ์ทุกคนนะครับผู้นำของผมทุกคนผมเน้นย้ำฮะจะมีผลลัพธ์ทุกคนนะครับแล้ววันนี้ผู้นำของผมแต่ละคนแต่บางค น, น, คนงเนี่ หลักหลายๆคือเอาง่ายๆมีเงินเป็นแสนกันนะหลายคนนะฮะคือเราเราเป็นคนหนึ่งที่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องของการทำบิ๊กสเกลนะผมอะผมทำบิ๊กสเกลเลยนะฮะคือไม่มาทำแบบต่อเล็กต่อน้อยอนึกออกใช่ไหมคือผมทำบิ๊กสเกลอะผมมีสายงานติดตัวมากกว่าสองร้อยสายงานะนะแล้วสายงานแต่ทุกสายงานอะโตทั้งนั้นเลยนะฮะคือเอาง่ายๆต่อให้แค่ 50% ตผมโตอะผมบอกเลยว่าผมยังผมยังแบบ ยังยังแบบได้เงินเยอะมากอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นนะฮะที่จะต้องจะทุกคนอะ่ะจะต้องมีสายงานที่เกิดการแอคทีฟถ้าไม่มีสายงานที่เกิดการแอคทีฟคุณจะคุณจะกลายเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลานึกออกไหมฮะสร้างเลเวลเลช์ะจากโปรเซสของมันนะครับทําไมทําไมผมถึงทํางานฟังก์ชันเช่นอ่ะกทมใช่ไหมฮะอาทิตย์แรกของอาทิตย์แรกของต้นเดือนอาทิตย์สองอ่ะแต่ก่อนอะ่ะไปใต้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเพราะที่ภาคใต้เขาทําเป็นล้วนะฮะ ก็จัดอาจจะเป็นแบบซ u เปอร์เทนนิงอะไรเงี้ยนึกออกใช่มฮะซูเปอร์เทนนิงนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะจัดแบบพวกงานฟังชันคอร์สออนไลน์ต่างๆอาทิตย์ที่3ผมอาจจะไปภาคอีสานที่4ี่ผมอาจจะไปภาคเหนือหรือไปภาคตะวันออกอะไรเงี้ยนึกออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันจะมีการรีรันกันตลอดคือมันจะไปทุกตลอดแต่พวกคุณเนี่ยพวกคุณน่ไม่ต้องไปใช้ทุกภาคคือตัวผมเองผมวิ่งไปเพราะเพราะว่ายังซัพพอร์ตให้อยู่แต่เดี๋ยวหน่อยก็ต้องปล่อยให้ผูน้นํามาทางานเองแล้วนะฮะคือ เวลาที่เราประกาศอะไรออกไปเนี่ยเช่อ น, อ, งงมมนอย่างเงี้ยสมมุติงานวันที่ห้าอย่างเงี้ยคือถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยงานเนี้ยงานเนี้ยมันเป็นงานที่ทําให้คนใหม่ได้เกิดการตัดสินใจมากขึ้นนึกออกไหมฮะหรือแม้แม้กระทั่งห้องเทรนนิ่งเนี่ยเฮ้ยเราไปเอาแบบพวกความรู้จากโค้ชเก่งๆอ่ะที่เขามาที่เขามาแบบแบ่งปันประสบการณ์ให้เราอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณพอคุณรู้ว่าเออ ไอฟังกชั่นอย่างเงี้ยมันมีแบบเนี้ยมันทําให้คนสามารถตัดสินใจหรือมองเห็นได้ไหมคุณก็จะพาคนไปได้นึกออกไหมนึกออกไหมคือคุณก็จะไปได้คุณก็จะพาทีมงานคุณไปได้แล้วคุณก็จะรู้ว่าเขาไปปุ๊บเขาจะได้อะไรออกมาทีเนี้ยคุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณมีทัศนคติดีที่ดีกับการใช้ระบบนะผมบอกเลยแล้วว่าไอระบบอันเนี้ยมันไม่ใช่ระบบล้างสมองนะเว้ยมันไม่ใช่ระบบที่แบบเฮ้ยเอาเว้ยเราทําได้ yes yes yes เบื่อแล้วแบบนั้นไม่เอาอันนี้เป็นระบบข้อมูล เป็นระบบข้อมูลการทำงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไปไปดูให้เห็นนะคือมั น, ม, นมันมันมีมันมีการ motivate ไปในตัวอยู่แล้วนึกออกนึกออกไหมฮนะมันมีการมันมีการทำให้เขาเห็นอยู่แล้วว่าเขาจะได้อะไรจากตรงนี้คือถ้าถ้าคุณพาเข้าไปคือตอนตอนนี้คุณต้องคือตอนคุณไปอ่ะคุณยังคุณยังตัดสินใจขนาดนี้ ถ้าคุณพาทีมงานของคุณไปแน่นอนมันก็มันก็มีศักยภาพของมันนึกออกไหมเขาไปเขาได้สัมผัสข้อมูลเขาได้เห็นเซนเตอร์เขาได้เห็นคนสําเร็จเขาได้เห็นแม่บ้านเขาได้เห็นเด็กที่ไปยืนอยู่บนเวทีที่มีความสําเร็จมีเงินกันเป็นแบบหมื่นหต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเนี่ยมันมันช่วยคือแทนที่คุณจะไปบอกโอ้เนี่ยมันดีนะมันอย่างงี้นะมีคนก็พาเขาไปเห็นเลยอะจบไหมจบไหมนึกออกไหมฮะคือมันจบ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมติคุณคุณไม่เข้าใจเรื่องของการใช้พวกนี้นะคุณจะมองเห็นว่ามันเป็นคอนดิชันคือหรือเงื่อนไขหรือข้ออ้างอะไรแบบนี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าคุณมองเห็นว่ามองเห็นว่าเออเนี้ยมันเป็นเครื่องมือเออเนี้ยเดี๋ยวเราพาทีมงานเราไปใช่ไหมนะฮะเขาก็จะดูแบบอื้มเนี่ยมันง่ายอะ่ะคือคุณไม่ต้องพูดเองอะ่ะมันจบอะ่ะนึกออกไหมอ๋อ ด, ดูลายมือผมอะนะฮะลายมือผม นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเศรษฐีฮะแต่ก็ต้องต้องทำด้วยสองมือนี้แหละครับนะฮะไม่น่าเกี่ยวกับลายมือป่ะฮะนะฮะก็ทุกทุกคนก็ทำได้นะครับไ m ้คัม m อร์ม o คมบ a د ีโอสอสเวสเตนะครับก็ไม่รู้ผู้ถูกไหมฮะก็ก็ให้อภัยผมด้วยนะฮะก็เอาเอางี้ฮะต่อกันนะครับคือทีมงานของเรานะฮะพอพอเขาเาอาจจะเคยเข้าห้องนิวคิวแล้วใช่ไหม พอเขาไปที่ห้องเทรนนิ่งอ่ะคราวนี้เขาไปที่ห้องเทรนนิ่งแล้วเขาก็จะพาคนของเขาเพราะเขา ค, คือถ้าเขาใช้ระบบไป น, นะคุณคุณหลีน่เรื่องของการใช้ระบบเขาก็จะพาคนใหม่ของเขาไปเข้าห้อง New คิแล้วตัวเขาเองก็จะไปเข้าห้องเทรนนิ่งพอเขาไปเข้าห้องเทรนนิ่งเนี่ยแน่นอนในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีการทํางานเขาก็อาจจะยังไม่รู้ทิศทางการทํางานมากนึกออกไหมฮะเขาก็จะไปสัมผัสฮนะเขาจะไปสัมผัสฮนะว่าว่าอ๋อโค้ดคนนี้หรือผู้นําคนเนี้ที่เขาสําเร็จเนี่ยเขามีการสร้างตัวตนยังไง เ, เขาสร้างคอนเทนต์แบบไหนเขามีมุมมองการทํางานให้แบบแฮปปี้ยังไงหรือแม้กระทั่งอ๋อมันทําออนไลน์มันท online, ําอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่มสกิลให้กับทุกคนฮะคือพอพอคุณพอคุณมีการเพิ่มสกิลเพิ่มอะไรให้กับตัวเองด้วยเนี่ยหรือเพิ่มโ no น้ตหาให้กต่อให้คุณไม่ได้ใช้ก็ยังดีกว่าตอนที่คุณจะใช้แล้วมันไม่มีนี่ถูกไหมฟังผมพอดีนะวันเนี้ยในทัศนคติของผมเลยนะความรู้ทุกอันสําคัญหมดนั่นหมายความว่าต่อให้คุณมีคุณไปเรียนรู้แล้วคุณไม่ได้้ใช นะครับก็ยังดีกว่าตอนที่คุณจะใช้แล้วมันไม่มีให้ใช้นึกออกปะนึกออกัหยฮะเนี่ยฮะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะคืออยากให้ทุกคนเข้าใจนะฮะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครั บ, รบว่าทำไมเนี่ยเราถึงต้องเรียนรู้นะครับอย่างตัวตอเองนะตอไม่เคยขาดการเรียนรู้เลยนะครับไม่เคยเลยฮะที่จะหยุดนะฮะคือทุกวันนี้ เดินเข้าเสียดก็ซื้อหนังสือมาอ่านเมื่อวานไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งของอมาร์คซ์กาเบิร์ตมานะครับพออ่านแล้วก็แบบโอ้โ ห, โโ ห, โโหมันขนาดนี้เลยว่ามาร์คมันเป็นหนังสือเล่มแค่นี้นะฮะ บ, บางๆนะแต่มันเราไม่ต้องอ่านเยอะนี่ขอไหแต่เราอ่านเพื่อที่จะเอามาตกผลึกแล้วใช้อนะนี่ขอไหมฮะพอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันมันมันเป็นการเฉลี่ยวความคิดของเรามันเป็นการปรับทัศนคติของเราคือผมหาช่องทางการเรียนรู้ตลอดนะครับอย่างวัน วันว่างๆผมนะผมก็จะนั่งไลฟ์ไล่ดูฮะว่ามันมีมันมีคลิปของโค้ดคนไหนนะครับที่แบบเออเขาเามีเทคนิคเขามีในเรื่องของโนฮาแบบไหนเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะว่าผมไม่ต้องไปดูเยอะสำหรับตัวผมนะผมไม่ดูเยอะนะครับผมจะดูเฉพาะพอย n ์หลักจากนั้นผมจะตกผลึกฮะประเด็นที่เขาพูดผมเขียนผมจะเขียนไม่ไสมุดผไล่มาเป็นฉอเลยนะป้าปๆๆปปป อ๋อเรื่องนี้ชิปต่อไปเรื่องนี้ได้หอเรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องนี้เฮ้ยเรื่องนี้ทําให้เราปรับทัศนคติแบบนี้อ๋อเรามีปัญหาทํางานแบบนี้อ๋อนี่คือจุดอ่อนของเราผมก็ใส่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นฮะเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังเพิ่มทักษะเพิ่ม m มล์เซ็เพิ่ม Skill set เข้าไปในตัวของคุณแล้วทัศนคติของคุณเวลาคุณเจอปัญหาผมบอกเลยนะว่าคิดปฏะดิษฐมากบางคนนะ่าเจอปัญหานิดนึงทัศนคติไม่ผ่านคือคุณข้ามปัญหานี้ไม่ได้คุณฟังผมดีนนนะถ้าาทัศคคติของุณไม่ผ่ผ ต่อให้ปัญหานั้นจะเล็กแค่ไหนคุณก็จะฆ่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะทัศนคติของคุณหรือความคิดของคุณสกิลเซตของคุณมามซ์เซงคุณเนี่ยเป็นตัวนําในเรื่องของการทํางานนะครับถ้าคุณไม่สามารถทําในเรื่องของการปรับทัศนคติของคุณมาเป็นพวกของคุณได้นะคุณไม่สามารถทํางานบรรลุหรือทํางานในเรื่องของการทํางานแบบเป็นเป็นสเกลขนาดใหญ่ได้คุณก็จะเหนื่อยแอคทีฟไปต่อคุณก็จะมีเงินแค่ประมาณแบบหลักวันละ ห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสามพันคุณก็จะกดถอนทีหนึ่งแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณอยากกดถอนเงินแบบอาทิตย์หนึ่งแบบเป็นแสนอย่างเงี้ยคุณจะเป็นต้องรู้อะไรบ้างอนะนึกออกไหมฮะหรือว่าคุณอยากจะทําให้มันแบบมีเงินเยอะๆเยๆมากขึ้นเนี่ยนะฮะคุณต้องทําอะไรบ้างล่ะนะฮนะเนี่ยฮะเป็นสิ่งสําคัญที่ ท, ที่ที่บางทีอ่ะพวกเราอ่ะมองไม่เห็นแล้วเราก็มองข้ามฉอดมันไปมันเริ่มต้นจากจุดเล็กคุณลองนึกภาพ น, นะมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับอย่างเช่น ต, ตัวตัวทําเองเนี่ยตองคิดแล้วว่าอ๋อโอเคเราเริ่มต้นมาระบบเราไม่มีนะฮะบริษัทก็ทำในเรื่องของการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ไปนะครับทำยังไงนะที่จะให้คนจำนวนมากๆ ทำยังไงที่จะให้คนจํานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกันคนที่ต่างศักยภาพคนที่ต่างความรู้คนที่ต่างทัศนคติคนที่ต่างความคิดคนที่ต่างไมเซตคนที่ต่างในเรื่องของทักษะในชีวิตเนี่ยนะครับสามารถจับศาสตร์หนึ่งตัวสามารถจับศาสตร์หนึ่งตัวแล้วไปใช้ทําได้คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมองนะว่าอ๋อเนี่ยก็แค่จัดงานก็มีคนพูดแบบนี้ก็มีการเรียนอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกนะคุณกําลังมองไม่เห็นในสิ่งที่ผมทำหรอกคุณต้องมองกันว่า เครื่องมือบางเครื่องมือเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถทําเองได้คุณต้องให้คนจนํานวนมากๆนะครับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะครับหรือคุณก็คุณไม่สามารถทําให้คนแต่ละคนเนี่ยทำงานในทิศทางแบบเดียวกันได้ถ้าเขาไม่มีจุดรวม1จุดหรือว่าศาสตร์1ศาสตร์คุณเข้าใจไหมว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมันไม่เหมือนกันจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าศิลปะในการทํางานที่แตกต่างกัน อย่างผมผมเนี่ยผมก็ไปเรียนศาสตร์มาก่อนนะครับไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยเรียนนะครับเรียนศาสตร์มาไม่รู้ต่อกี่ศาสตร์แล้วฮ huh. ะเรียนศาสตร์มาไม่รู้ต่อกี่ศาสตร์นะครับแต่วันนี้ในการเรียนศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับเราชำนี้ชำนาญแล้วใช่ไหมเราก็มาทําให้มันเป็นศินละปะของแต่ละคนแต่ละคนจะมีศิละปะในการทํางานไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็อย่างอย่างสไตล์ผ ม, ผมนะฮะผมมันจะเป็นสายบุกทะลวง น, นี่คือศิละปะของผมผมจะเป็นคนๆเราเป็นคนแบบ powerful นึกออกไห้ยแต่ผมจะไม่แบบโ over จนเกินจริงนะฮะอย่างบางคนก็จะเป็นสไตล์เนิบๆนิ่มๆนิ่มๆนมๆิๆคือแต่ละคนคุณเห็นไหมว่ามันจะมีศิละปะเหมอนกันแต่ข้อมูลเนะี่ยในการทํางานอันเดียวกันไหมทํางานเดียวข้อมูลนะอันเดียวกันพูดแผนก็พูด5ข้อแบบเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ศาสตร์เหมือนกันออแตดสินะฮะแต่ศิลนนะ่ยนะมันไม่เหมือนกันศาสตร์เหมือนกันตัดสินนะ์มนไม่เหมือนกันในการสื่อออกไป หรือแม้กระทั่งบางคนเนะ่ยสร้างทีมสร้างทีมก็ไม่เหมือนกันนะคุณต้องนึกภาพนะคุณสร้างทีมเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างทีมงานเนี่ยแต่ละคนน่ยโอ้โหทีมเบื้อเริ่มเทิมเลยนะฮะทีมเบื้อเริ่มเทิมเลยนะฮะแต่บางคนเนี่ยเข้ามาตั้งนานแล้ตั้งนานจริงๆนะผมสังเกตบางคนเข้ามานานมากนะฮะแต่ทีมไม่ขยายทําไมทีมถึงไม่ขยาย เพราะว่าเขายังใช้ความคิดส่วนตัวอยู่เพราะว่าเขายังใช้ทัศนคติเดิมๆที่เขามีกรอบความคิดเดิมๆของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นมันต้องปรับจูนนะมันต้องปรับจูนมาอยู่ในทิศทางเดียวกันนะ ค, คือวันนี้เนี่ยเราเรานําร่องด้วยสิสเท็มไปแล้วนะครับที่เหลือคือคุณตามมาแล้วกันตามให้ทันดิบางคนน่ยบอกว่าโอ๊ยแบบแล้วมันจะทําได้เหรอมันจะได้จริงไหมมึงมาดูเขาได้จริงมึงทําให้ทันก่อนบริษัทแม่งโตชิพหายจะ80ล้านอยู่แล้วเนี่ยนึกออกไหมฮะจะร้อยล้านกันอยู่แล้วเนี่ยนะ บ, บางคนยังแบบเออเอย วิมันจะดีเหรอเออไว้ก่อนเลยค น, คนแรกนะคุณต้องไว้ก่อนจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นไปโฟกัสในคนที่พร้อมที่จะไปพร้อมๆกับคุณนะฮะพร้อมที่จะไปกับคุณแล้วคุณก็จับมือของเขานะฮะทำในเรื่องของซิสเต็มอย่างเป็นระบบฮนะคุณต้องทําอะไรบ้าง6กสเตปเนี่ยการทํางานที่จะมีหกสเตปนะฮะสเตปที่1ทํายังไงสเตปที่2องทำยังไงสเตปที่สามทไร4ทําอะไร5ทําอะไรหกทำไรนะฮะ เมื่อคุณทํามากพอมากพอมากพอคุณทําซ้ําๆในเรื่องเดิมเนี่ยนะครับคุณทํา6สเต็ปเป็นคุณทํา5เคลื่อนเป็นเนี่ยนะครับคุณก็จะทําง่ายขึ้นระบบมันออกแบบมาทําให้คุณนะทำงานง่ายขึ้นบางคนเน่ยผมบอกเลยนะว่าผมพูด 6/ กสเต็ปไปหเคลื่อนไปอะงงเลยนะไม่รู้คืออะไรนะรไปดูฮะต้องไปดูนะครับว่า6กสเต็ปกับ5เคลื่อนคืออะไรนะครับคลิปมีนะครับคลิปมีนะเพราะฉะนั้นฮะอย่าอย่าตกเป็นเหยื่อของทัศนคติด้านลบให้ตก ให้ใ ห, ให้ให้ดึงทัศนคติด้านลบของคุณมาเป็นบวกให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้ น, นสําคัญนะครับแล้วทีมงานของเราอะ่ะคนไหนที่คนไหนที่ทัศนคติของเขาเนี่ยนะครับเขาเข้ามาแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีความกลวมัวเลยสิ่งสําคัญเลยนะที่จะทําให้คนอะ่ะมีทัศนคติด้านบวกที่มากขึ้นคือข้อมูลนะครับบรรยากาศนะครับเป็นข้อมูลและบรรยากาศลเท่านั้นฮนะคุณไม่สามารถสร้างความสําเร็จจากการทําออนไลน์ได้แบบ 100% อครับยากมากคุณทําได้แค่เงินแต่คุณจะไม่มีผู้นํา เขาบอกนะถ้าคุณทําออนไลน์ 100% คุณจะมีแค่เงินแต่คุณจะไม่มีผู้นำนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จแบบแบบเลเวอเรจนะแบบ Big scale นะแบบมี l ีดเดอแบบสร้าง l e v e อ a g e แบบคุณกเกษียณสมมุติแบบลีไทยสมบติว่าบบไดนะคุณต้องสร้างผู้นําจากฟังก์ชันออฟไลน์เท่านั้นออฟไลน์เท่านั้นนะครับเป็นไปไม่ได้เลยฮนะที่คุณจะสร้างผู้นําออนไลน์อย่างเดียวนะเป็นไปไม่ได้คุณต้องสร้างแบบออฟไลน์ line, ด้วยนะครับสำคัญเลยนะครับแม้แต่แม้แต่เช่นฮนะอย่าง วันที่5กุมภาเนี้ยนะครับคุณเจนนี่นะครั บ, รบก็จะบินมาที่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็จะมาร่วมประชุมนะฮะ ร, ร่วมมาเป็นหลักฐานอีก1คนฮะ บ, บนเวทีเซ็นเตอร์ด้วยในงานวันที่5กุมภานะครับที่กรุงเทพนะครับเนี่ยคุณคุณเห็นไหมว่าต่อให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะอยู่กันคนละโลกนึกออกไหมฮอยู่กันแบบคนละทวีปเลยเนี่ยแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ยังต้องมารวมที่งานฟังก์ชันที่ ท, ที่ที่เป็นออฟไลน์เพราะออฟไลน์เป็นฟังก์ชันศักยภาพ นแน่นอนคนระมันทําให้คนนะปรับทัศนคติมันทําให้คนนะเปลี่ยนความคิดมันทําให้คนนะเห็นแล้วยอมรับข้อได้จริงเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติในการทำเพจ QQ ได้มีอยู่3คุณสมบัติเท่านั้นนะครับ 1. อยากได้อยากได้อยากได้ผลลัพธ์ที่นี่ 2. คุณได้เงาะอยากได้ผลลัพธ์ที่นี่สองคือเดี๋ยวนะอยากได้ผลลัพธ์ที่นี่2ก็คือไม่ไม่ไม่คิดลบกับตรงนี้ ไม่คิดลบ ก, กันอย่างนี้สามคือไม่ปฏิเสธความจริงไม่ปฏิเสธความจริงถ้าคนที่ไม่อยากได้เขาจะไม่ทําครับถ้าคนที่คิดลบ ก, กับธุรกิจนี้เขาจะไม่ทําครับและถ้าคนที่ปฏิเสธความจริงเขาก็จะไม่ทําเหมือนกันครับ mm hmm. คุณว่าจริงไหมสามข้อ น, นี้เออคือมึงถ้าไม่อยากได้เงินก็ก็ไม่ทําคุณเคยไปถามไหมเออเนี่ยพี<ๆ>่อยากมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งไหมเขาบอกไม่อยากได้เก็โอเคก็ก็คือมึงไม่อยากทําแล้วแหละนึกนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้น คนที่จะทำโปรเจกต์นี้ได้เนี่ยแน่นอนคือต้องอยากได้ก่อน2คือไม่คิดลบบางคนเนี่ยอยากได้แต่แม่งคิดลบอย่างเดียวเลยนะฮะอุ้ยเนี่ยเงิงนเงินไม่นี่ปัญหาเยอะแยะมากมายหมดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเลือกทําเองครับพวกนี้มันก็จะดีด่อไปมันไม่เหมาะกับโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งฮะก็คือปฏิเสธความจริงนะครับเช่นไปงานเนี่ยปึง้งนะฮะ เห <House> ็นแล้วโหคนนี้เป็นแม่บ้านมีได้เท <ire> yeah. ่านี้อ no ่ะคนที่เป็นโปรไฟล์ธรรมดาทาได้หรือแม้กระทั่งแบบไฮโปรไฟล์ทาอย่างเช่นอ่าดอรกฤษะอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งคนหนึ่งนะฮะหรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจอะไรโหแบบเจ้าของธุรกิจใหญ่มาที่เนียเยอะมากนะฮะหลายท่านนะครับเจ้าของแบรนด์ต่างๆมาทำเนี่ยนะครับเขามีผลลัพธ์กันมีคนยังงแบบโอ้ยธุรกิจนี้หลอกลวงจ้างคนมาปะเนียนึกออกหนึกออกหมฮะหรือแม้กระทั่งะอะไรนะเห็นอาจจะเห็นผมโพสต์มาเนี่ยอุ๊ย ได้รายไ ด, ได้จริงหรือเปล่าแมฆขึ้นมาจริงหเป่าเออแล้วแต่มึงเลยแล้วกันนึกออกใช่ไหมแล้วแต่มึงเลยฮนะพวกนี้นะก็คือต้องปอดฮยนะคือเขาปฏิเสธความจริงอนะ่ะคือเขาเห็นหลักฐานแล้วเราให้ดูก็แล้วอ่ะเราอธิบายก็แล้วเป็นข้อแท้จริงก็แล้วเนี่ยมึงก็ยังหาในเรื่องของข้อโต้แย้งมาคือพวกนี้ก็ต้องไปอนะ่ะนึกออกไหมเอาก็เอามาทําไมก็พวกปฏิเสธความจริงนะเพราะฉะนั้นะคือถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของสแตทอ่าจัสซ์ออฟเ t อร์คอสต์อินเดอร์แมทเทอที่ผมเคยทคําคลิปไปนะ ใครไม่เข้าใจไปดูนะฮะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อก็ก็ก็กสแต็กปะก็คอสอินเดอะแมทเธอร์ปะก็แบบแค่แค่ข้อสเสนอปะเออไม่เอาก็ไม่เอาเลเกี่ยวอะไรอะนึกออกใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องเราไม่จําเป็นต้องง้อใครนะครับในโปรเจกต์นี้เรามีบริบทที่ชัดเจนมากพอใ น, นเรื่องของผลลัพธ์นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนะสามอย่างเลยนะครับคุณสมบัติ3อย่างนะครับคืออยากได้ผลลัพธ์ที่นี่คิดบวกที่นี่นะครับแล้วก็มี มีในเรื่องของการยอมรับความจริงนะครับก็อันเนี้ยผ่านนะแต่ถ้าเออ ก, กูไม่อยากได้กู ค, คิดลบกับมึงด้วยแล้วกออ็อะไรนะคือกูปฏิเสธความจริงอะ่ะก็ก็ไม่ต้องมาทำหรอกมึงไปมึงไปอยู่ในใ น, ใ น, ใ, นในห้องสี่เหลี่ยมของมึงอะ่ะอยู่แล้วโอเคแล้วนึกออกไหมฮนะเพราะฉะนั้นพีวีวันนี้ 1,000 สร้างเงินล้านผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะไม่พูด กับมันเป็นแค่สโลแกนวันนี้เราทําหลักร้านกันไปแล้วนะครับบางคนหน0 0งสร้างเงินหลักหลายหลักหลักแสนหลักหลายแสนไปแล้วบางคนสร้างหลักหลายหมื่นแล้วกาลังออนโปรเซสมาบางคนยังยังอยู่ในหลักพันน่ะนึกออกไหมฮะก็ก็ต้องยอมรับความจริงฮะมันเกิดมันเกิดมาแล้วฮะมันทําไปแล้วอะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วบางคนอุ้ยมันจะมีจริงเหรอมันจะได้จริงไหมนะฮะเฮ้ยพี่มันไม่ใช่ว่ามันจะมีจริงเหรอมันจะได้จริงไหมมันเป็นไปแล้วคือมันเป็นไปแล้วนึกออกไหมฮะ ก็เนี่ยมันมีคนได้เป็นล้านแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันมีคนได้เป็นหลากหลายแสนแล้วนะฮะมันมีคนได้เป็นหลักหลายหมื่นแล้วแล้วไม่ใช่มันมีคนเดียวมันมีหลายคนนึกออกใช่ไหมคนที่ทําตามเงื่อนไขได้ทุกคนนะฮะอ่ะคุณลองนึกภาคอ่ะคุณไปชวนเพื่อนมาสองคนคุณไปชวนเพื่อนมา2คนนะเข้าไงเข้าเงื่อนไขแลได้ข้อที่1ถูกต้องไหมเงื่อนไขข้อที่1อ่ะห้าร้อย่ะสิ อ่ห้าแล้วก็ 1% ใช่มคนที่ห 500% 1คนที่ 2% นะฮะอ่าเรื่องแท็กเรื่องภาษีก็อยู่ในสเตตเมนต์นะฮะคุณกดถอนเงินอมคุณก็ได้เงินตามนั้นนึกออกไหมก็มันเป็นเงื่อนไขตรงไปตรงมาแบบนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเถียงระบบอย่าไปเถียงระบบน ะ, ะในตัว p a y ์อะ่ะมันมีมันมีมันมีข้อมูลที่ตรงไปตรงมาแล้วนะฮะเอ่อเริ่มยังไงไม่มีทุนนะฮะเอ่อผมว่าจริงๆแล้วทุนมีทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณจะมองว่า มันเป็นทุนแบบไหนถ้าคุณมองว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อที่ได้รายได้เพิ่มนะครับคุณก็จะทําได้แต่ถ้าคุณมองเห็นว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าคุณไม่มีเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่ได้ลองทําสักทีนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากให้คุณมองอย่างนี้ก่อนว่าคุณคุณพยายามที่จะหาหรือยังนะฮะคุณพยายามที่จะหาหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นนะเออผมใช้ว่าขอทานอ่ะจะไปจะไปหาเงินอ่ะมันยังต้องเอาขันไปเลยอ่ะนะฮะวันนี้คุณกําลังจะเอาเงินล้านอ่ะ คุณจะเอาเงินหลักแสนนะ่ยคุณแค่ปรับทัศนคติก่อนในจุดเริ่มต้นนะครับเอาฮะลุยฮะหาได้อยู่แล้วครับเงินพันหนึงฮะจะไปยืมมาก็ได้ฮะยืมมาแล้วก็เดี๋ยวทําแล้วเดจะเอาเงินไปคืนมานะแค่นั้นเองนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นหาโซลูชันนะครับทุกอย่างในการทํางานที่โปรเจกต์นี้คือโซลูชันทั้งหมดโซลูชันคือทางออกนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโซลูชันของหลายๆคนนะครับคุณลองนึกภาพนะ เดี๋ยวผมถามสมาชิกดีกว่าเนี่ยส0งรอคนเนี่ยที่นั่งดูผมอยู่เนี่ย200อคนเนี้ยมีใครที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและดีขึ้นจากการทําเบลคิวบ้างเมื่อคุณได้เงินจากตรงนี้แล้วมีใครที่แบบดีอ่ะคือดีเลย ค, คือคุณได้เงินอ่ะคุณแบบดีใจอ่ะคุณแบบว่าคุณแบบว่ามันคือคืออันเนี้ยคือแบบคุณคุณตื้นตันอ่ะคุณมองไม่ออกนึกออกไหม ค, คือใครมีบ้างอ่ะแบบโมเมนต์แบบผมอ่ะที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนแบบภาวะทางการเงินในชีวิตไปเลยอ่ะ นึกออกไหมฮะมีไหมฮะเขียนแสดงตัวหน่อยฮะอย่างผมเองนะผมเริ่มต้นเนี้ยมีเงินเหลือในบัญชีสี่พันตอนนั้นคือไม่มีอะไรจะทำแล้วหมดตัวแล้วนึกออกไหมฮะแต่วันเนี้สามล้านนะฮะมีไหมมีไหมมีใครที่แบบว่าเออฉันทําเงินได้มากขึ้นฉันใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นโล่งมากขึ้นลิ้นไม่ต้องแตะเส้นอะ่ะมีไหมแบบฉันแฮปปี้อ่ะมีไรายได้เพิ่มอีกอีกกระเป๋าเนะี่ยคือแฮปปี้อ่ะมีไหม เขียนมาเลยเอ่อคุณธนกิจนะ ค, คุณธนกิจนะครับก็ผมอาจจะให้คุณลองศึกษาในเรื่องของคลิปวิดีโออื่นๆนิดนึงพอดีวันนี้ผมจะไม่มาคุยเกี่ยวกับเรื่องแผนการตลาดหรืออะไรนะฮะเรากําลังคุยกันแบบแอดวานซ์กันอยู่นะครับก็ฝ่ายนิดนึงนะครับคุณธนกิจนะครับไม่ยากนะครับรเพราะว่าจานี้นะครับโอเคฮะอ่าเรามาต่อนิดหนึ่งนะครับทีนี้คุณลองนึกภาพนะ <c oughs> พอพอคุณทําได้มีโมเมนต์นี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะที่ผมเห็นหลายๆคนนะใน Facebook ของผมเนี่ยนะครับเขาทํา <c oughs> เขาได้เรียนรู้เขาได้สัมผัสเขาได้มีผลลัพธ์ที่มากขึ้นเนี่ยนะครับคือชีวิตมันดีอ่ะแล้วผมก็ดีใจไปกับเขาด้วยนึกออกใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาได้เงินเยอะขึ้นเขาได้มีกระเป๋านึงไปสํารองในชีวิตเขาเนี่ย <c oughs> เขาเขาาได้ใช้ระบบของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขาไปงานของเราที่เราจัดแบบนี้ฮะเขาออกมาพร้อมกับความมั่นใจความ เชื่อใจแล้วเขาก็ทําแล้วเขาก็ได้ผลลัพธ์เนี่ยผมโคตรดีใจเลยนะนึกออกไหมฮะเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมต้องบอกไงนะว่าคือมันมันเป็นสังกยภาพของระบบมันเองเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคนหลายคนนะจะกําลังจะพลิกชีวิตจากที่นี่เยอะมากคนหลายคนกําลังจะพลิกชีวิตจากที่นี่เยอะมากพี่พี่เมย์เมื่อกี้เห็นไหมว่าพี่เมย์อยู่ไหมพี่เมย์เมืองการพี่เมย์เมืองการอยู่ไหมเอยพี่เมย์เมืองการถ้าอยู่กด8หน่อย อ่าโบก็มาโบก็มานะฮะคุณรู้ไหมว่าโบกับเมเนี่ยโบกับพี่เมเนี่ยนะครับเป็นใช้คำว่าเป็นเป็นเป็นเพื่อนบ้านผมแต่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ พี่เมย์เนี่ยก็จะเป็นเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็แบบหาอาชีพเสริมในการขายของออนไลน์ด้วยนะครับคือคือชีไม่ชอบทําไรนะฮะชีก็เฉียงเลียงลูกนะฮะส่วนโบเนี่ยส่วนโบเนี่ยก็มีลูกลูกลูกน้อยคนนึงชื่อเฟยย่านะครับเขาก็ทําทําแบบเปิดร้านแล้วก็ดูแลแม่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับวันที่ผมไปชวนเขานะฮะโบเนี่ยตัดสินใจทําเลยนะโบเนี่ยตัดสินใจทําเลยออกไปโอนเงินเลยนะครับสลิปก็ผิดด้วยผมก็ให้เขาขับรถไปอีกรอบไปเอาสลิปมานะครับแล้วก็พี่เมย์พี่เมย์ก็ ยยังย้งชั่งใจนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุด2คนนี้ผ่านมา6เดือนจนถึงทุกวันนี้ที่ตัดสินใจซื้อพื้นที่ 1,000 พันแล้วก็เริ่มทามเพจคิว่ารผมเนี่ยนะครับ<ม>ชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะโบโ บ, โ บ, โ, บโบอยู่ไหมโบได้อาทิตย์นึงกี่หมื่นพี่เมย์ได้อาทิตย์นึงกี่หมื่นอยู่ตรงเนี้ยโบกับพี่เมย์อ่ะ อันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากมเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ชวนเขาแบบคนแรกๆเลยนะฮะคือแบบผมบอกเลยนะว่าสองคนนี้คือผมเห็นเ่ยคือแบบดีขึ้นน่ยคือดีเลยอ่ะนึกออกไหมฮะนึกออกไหมฮะหรือแม้กระทั่งหลายๆคนนะฮะที่ที่กำลังทําอยู่ตอนเนี้คือแบบคือบางทีเราเราอาจจะไม่ได้เห็นกันนะว่าว่าโปรไฟล์มาเป็นยังไงนี่ผมเล่าเฉพาะคนที่ผมผมเห็นโปรไฟล์เขาด้วยแล้วกันนะฮะคือ อย่างบางคนเนี่ยคือเปลี่ยนไปจริงๆคือเขาได้เงินมาชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นปัญหาของครอบครัวที่น้อยลงเพราะว่ามีมีเรื่องของการซัพพอร์ตในกระเป๋าหนึ่งที่ดีขึ้นอ่ะคือมันจบอะคือคุณนึกออกปะบางทีอะอบปัญหาครอบครัวบางทีคือมันจบจริงๆอ่ะนึกออกไหมฮะเนี่ยฮะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่ามันจะพลิกชีวิตของคนอีกหลายหลายคนเลยฮะนะฮะเนี่ยอ่านี่โบมาแล้วโบแบบสี่ถึงห้าหมื่นต่อเดือนเนี่ยคุณลองนึกภาพดิขัย ขายของจริงๆอะ่ะขายของอยู่บ้านอาจจะไม่ถึงนะแต่ทำเพจคิวคิวอะ่ะได้ 4-5 หมื่นต่อเดือนอจากการลงทุนเพียงแค่น 1, ึ่งพัน่ะตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปแบบคือคือคือมันดีขึ้นเน่นะฮะเพราะฉะนั้ น, นะฮะคือสบายๆไปเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็อย่างบางทีเนี่ยเออน้องๆ น, นะฮะที่ที่เป็นนักศึกษาที่มาสมัครกับผมเนี่ยบางคนเนะี่ยเขา เ, ข า, เ, ข า, เขามองเห็นนะ่ เขามองเห็นแล้วก็โฟกัสเนี่ยพอเขาโฟกัสเขาทำเนี่ยอย่างมีเซ็นเตอร์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้ทีมงานผมเนี่ยนะครับติดตัวผมเลยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เชนน็องพัทอายุยีบเอ็เองเี่ยฮะอายุยีสิบเอ็ดอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะคือแบบว่าเราเราเห็นทันทีเลยว่าเออเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนมากแล้วทําให้คนอ่ะได้เงินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งผมเห็นนะอ่ะอ่า ผู้นำที่ที่ที่อยู่ในสายงานนะฮะที่อาจจะอายุเยอะหน่อยเงี้ยบางคนอ่ะคือคือเขาแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่ง IT นี่ของเงี้ยแต่เขาพยายามที่จะสื่อสารเขาพยายามที่จะสื่อสารเขาก็จะพยายามที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความพยายามฮะไม่ว่าคุณจะเด็กไม่ว่าคุณจะโตไม่ว่าคุณจะแก่ไม่ว่าคุณจะมีความรู้เรียนต่ำเรียนสูงหรือว่ามีอะไรมาต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อยู่ที่ความพยายามพยายามอะไรฮะพยายามใช้เครื่องมือที่ผมทำเนี่ยหนึศาสตร์เนี่ย ที่เราที่เรามีอยู่ในทีมเราเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคุณคุณอาจจะไม่ใช่เดือดพลชั่นแต่คุณสามารถใช้าศาสตร์ตัวเดียวกันได้ฮนะคุณมาเนี่คือคุณคุณเป็นเพื่อนผมเนื่องมาจากทุกคนในที่นี้เป็นครอบครัวเดียวกันคือคุณเป็นเพื่อนผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราเข้ามาเนี่ย ม, มันมันมาเป็นกรุ๊ปเป็นก้อนเราก็เอ า, าศาสตร์เนี้ยออกไปใช้ก่อนพอคุณทําศาสตร์เนี้ยใช้เป็นแล้วเป็นแล้ ว, เ ป, ลวเป็นแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะมีศินและปะาในการทํางานของคุณไปเองนะครับ ศิละปะมันมีหลายอย่างศิละปะการพูดศิละปะการทํางานศิละปะการปิดการขายศิละปะการส ร, ร้างทีมงานโอ้ยเยอะนะฮะนะคุณต้องพยายามก่อนนะฮะแต่บางทีคุณก็ดื้อดึงเหมือนกันหลายๆคนดื้อดึงฮะดื้อดึงบอกให้ทําอย่างนี้ก็ไม่ทําอ่ะบอกให้ทําอย่างนั้นก็ไม่ทําอ่ะบอกให้ม า, มาตรง น, นี้ก็ไม่มาบอกให้ทําก็ไม่ทําเออแล้วแต่มึงเลยแล้วกัน น, นื่บอกฮะคือบางทีก็สุดเราก็สุดเหมือนกันพอเราพอเราเคลื่อนสุดแล้วนะฮะพอเราเคลื่อนสุดแล้วเนี่ยก็คือต้องต้องจบนะถ้าเขาไม่เอานะฮะต้องจบ เพราะฉะนั้นสําคัญนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่ผมกําลังหลีดของคุณถ้าคุณเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่แพชั่นทําสิ่งที่ผมทําสิ่งที่เพจคิวคิทำเนี่ยสิ่งที่คุณโอมที่คุณมาลิสาทําหรือว่าผูน้นําหลายๆคนทำเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีต่อผลลัพธ์ของคุณนะครับอย่ามีเงื่อนไขในความสําเร็จเพราะไม่งั้นความสําเร็จจะมีเงื่อนไขของคุณเหมือนกัน น, นี่เป็นสิ่งที่เป็นจริงฮะมันไม่มีใครฮะที่ไม่เหมาะสมกับความสําเร็จแล้วได้นั่งแลมโบกินีคุณนึกออกปะคือมันไม่มีใครอ่ะที่ที่ที่เหมาะสมอ๋อถ้าคุณไม่เหมาะสมกับเงินล้านคุณจะไม่ได้เงินล้านเอ า, อางี้ละกันถ้าคุณไม่เหมาะสมกับความสําเร็จคุณก็จะไม่ได้ความสําเร็จเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ลู่ทางอ่ะในการทํำโปรเจกต์ของเราอ่ะ ม, ม, มันมันมีลู่ทางนึกอ BY, อกไหมฮะแล้วมันก็มีวิธีการแล้ววิธีการของเราอ่ะมันง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณปรับทัศนคติแล้วคุณก็มีความเพียรพยายามอีกนึงในการที่จะเรียนรู้ฮะบางคนนะเข้าไปในตัวเว็บไซต์เพจคูณคอแล้วทำไม่เป็นแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าอะไรรู้ปะอู้ยากทําไม่เป็นอ่ะที่เกิดเริ่มต้นที่เกิดเรียนรู้คุณไม่มีความพยายามเลยอ่ะคุณไม่มีความพยายามเลยอ่ะที่จะเรียนรู้มันหรือแม้กระทั่งคุณไม่มีความพยายามเลยอ่ะที่จะดูคลิปของผมจนจบ นึกออกไหมฮะคุณไม่มีความพยายามเลยอะที่จะหาในเรื่องของอะเช่นมีทีมงาน อ, อมาถามผมว่าพี่เนี่ยคือหนูโหลดเบราว์เซอร์โคลไม่เป็นผมก็ทําให้คือหนูไม่เก่งไอทีหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะหรือบางทีก็บอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ไม่เก่งไอทีเลยเ อ, อพี่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนึกออกใช่ไหมฮะผมก็บอกวิธีแบบละเอียดนึกออกไหมผมก็บอกวิธีแบบละเอียด ว่ามันต้องอ่ไปที่ไหนไปไปที่เพจโต้แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขายังทําไม่เป็นอยู่เนี่ยคือคุณนึกอ่าว่าเขาอ่ะยังไม่ได้พยายามที่จะทําเลยอะเขาก็ทําไม่เป็นแล้วหรือว่าว่าบางคนเนี่ยจะสมัครสมาชิกนึกออกไหมจะสมัครสมาชิกอ่ะเราให้ดูคลิปวิดีโอแล้วมันก็จะมีขั้นตอนเนี่ยปุ๊อุ้ยอุ้ยมันดูยากอ่ะพี่คงทาไม่เป็นหรอกโอ้โหเดี๋ยวนะมึงยังไม่ได้พยายามมึงยังไม่ได้ลองทําเลยนึกออกใช่ไหมคือยังไม่ได้ลองทําเลยแต่บอกว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วก็คือก็คือจบนะ คือถ้าคุณจะเอาคุณอยากจะมีเงินอีกกระเป๋าเอางี้คุณอยากมีรายได้เพิ่มอ่ะแล้วคุณก็ไปหาช่องทางมาอ่ะคุณเจออ่ะคุณจะขายครีมอ่ะคุณจะขายครีมผมบอกเลยนะกล่องแรกที่คุณขายได้คุณมีคุณมีลูกค้าคนแรกของคุณนะคุณขายได้กล่องเดียวนะต่อให้ไปสีแม่งไกลขนาดไหนนะคุณก็ดันด้นไปส่งเอาตรงตรงเลยนะต่อให้ไปสีแม่งไกลขนาดไหนนะ ถ้าลูกค้าสั่งแล้วปุ๊บเนี่ยคนแรกนะคุณดันไปส่งเลเพราะว่านั่นคือโซลูชันคือมันไม่ได้มีเงื่อนไขกับการที่แบบไปส่งเลยคือเนี่ยทัศนคติของคุณไงคือคุณมีความพยายามที่จะคุณก็ต้องเริ่มทําตลาดก่อโอเคส่งเร็วถึงเร็วปั๊บป๊ปุ๊บปั๊บนึกออกไหมแต่พอมันเป็นเหตคิวคฮะเนี่ยวันที่5 100บาทโอ้ยเดินทาง100บาทลืมไปว่าได้อะไรบ้างหรือแม้กระทั่งเรียน<ม> อ, อ่าเช่นซุปเปอรน นะฮะแปด้อุ้ยแปดเลยเหรอพอมาด้วยเลยเหลือเนี่ยผมรู้แล้วว่าเป็น condition นะครับคุณรู้ว่าทำไมผมเวลาผมจะเรียนให้เรียนพวกคอร์ส advance เน่ยให้เรียนพวกคอร์ส advance เน่ยผมถึงให้ลงทุนผมถึงไม่ให้เรียนฟรีรู้ไหมผมจะให้เรียนฟรีก็ได้นะเนื้ อ, อ, อไหมฮะผมจะให้เรียนฟรีก็ได้แต่ทำไมผมถึงไม่ให้เรียนฟรีนะครับเอาจริงนะ ในจริงๆอ่ะในคลิปผมอ่ะที่ผมรีดลงไปในในไลฟ์หรือว่าใน u t u b e อบจริงๆอ่ะมีแค่นี้ก็ทำงานได้หลักล้านแล้วนะก็ทำงานได้หลักล้านแล้วนะแต่คุณแต่คุณจะมีความสำเร็จแค่เรื่องการเงินคุณได้อรอไหมคุณจะมีความสำเร็จแค่เรื่องการเงินเพราะว่าคุณรู้เท่านั้นแหละรู้ไหมฮะ ว, ว่าวันนี้ต่อให้คุณเป็นคนสำเร็จนะคุณมีไรายได้เป็นหลักล้านนะคุณก็ยังไม่สามารถหยุดที่หยุดเรียนรู้ได้เลย คุณก็ไม่สามารถหยุดเรียนรู้ได้นึกออกไหมฮะคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตลอดเอ่อมันขึ้นว่าสัญญาณเชื่อมต่อไม่ดีมีกระตุกไหมฮะมีกระตุกไหมเอ่ยนะฮะมีกระตุกไหมฮะไม่มีเนาะคือคือการเรียนฟรีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนสนใจนะคนสนใจเยอะนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมไลฟ์ผมไลฟ์ผ ม, ผมคุณเชื่อไหมว่าการที่ผมไลฟ์เนี้ย ผมพูดหลายเรื่องที่มันมีประโยชน์มากๆนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะแค่ดูแล้วก็ผ่านไปนะครับหลายหลยคนก็อาจจะดูตรงนี้ปุ๊บจดไว้ตกผลึกตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็เอาสิ่งที่ผมกำลังบอกตรงนี้ไปใช้กับทีมงานนึกออกใช่ไหมฮะคือเรียนห้องเดียวกันครูคนสอนเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกันเนื้อหารแบรบการแต่จะมีคนฮะที่เอาไปใช้มีคนที่สอบผ่านอะ แล้วก็จะมีคนที่ได้คะแนนน้อยนึกออกไหมฮะมีคนที่ได้คะแนนเยอะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทีนี้คําถามคือตัวคุณเองอ่ะจะเป็นคนที่ที่ที่จะสอบได้คะแนนน้อยห ร, อหรือเป็นคนที่สอบตกนะฮะนึกนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนื้อเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นเชิงที่คุณไม่สามารถคุณไม่สามารถตกผลึกเองได้คุณอาจจะไม่เคยเข้าคอร์สต่างๆหรือว่าคุณอาจจะไม่เคยมีโน้ตเฮ้ารเรื่องพวกนี้มาก่อนหรือว่า เช่นเรื่องการใช้ระบบต่างๆเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเนี่ยแต่พอพอคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งต่อที่มาคุณคุณจําเป็นต้องต้องทำฮะผมใช้คำว่าบางครั้งเนี่ยการทํางานของของแม้กระทั่งตัวผมเองนะผมจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องก่อนก่อนที่ผมจะทําในสิ่งที่ผมถูกใจเพราะฉะนั้นะ ใ, ใครเวลาที่เวลาคือเอาตรงๆนะถามว่าบางทีเนี่ยผมจัดงานเยอะๆเนี่ยถามว่าผมเหนื่อยไหมถามว่าผมอา่า อยากทำไหมผมบอกเลยนะว่าจริงๆผมก็เหนื่อยจริงๆผมก็ต้องเดินทางตลอดจริงๆผมก็ต้องคิดตลอดว่าต้องทอํายังไงบ้างบางทีมันเหนื่อยแต่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องผมอยากนอนอยู่บ้านครับผมอยากพักผ่อนนะผมอยากออกไปตกปลาผมอยากออกไปปั่นจักรยานนะแต่นั่นคือสิ่งที่ผมถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทําสิ่งที่มันถูกต้องก่อนเดี๋ยวผมทําสิ่งที่ถูกต้องจบเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะโอเคแล้วผมก็ไปทำในสิ่งที่ผมถูกใจผมเวทเสมอฮนะว่าผมจะทําอะไรก่อนอันเนี้ยทำแล้ว โอเคมีผลกับทีมนะครับมีผลกับทีมนะครับมีผลที่ดีนะครับมีมีมีการสามารถเอานําไปใช้ได้นะครับมีมีมีการเอาระบบของเราเนี่ยไปใช้ได้แล้วเกิดผลลัพธ์เนี่ยโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อให้จะมีคนด่าครับคุณใช่ไหมก็จะมีคนด่าก็จะมีคนไม่ไม่ไม่เข้าใจก็จะมีคนอ่านินทะก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็คนธรรมดามันก็เป็นธรรมดาแล้ยนะ แต่คนที่เอาในสิ่งที่เราไปใช้แบบนี้นะครับคนที่เอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปใช้ผมบอยนะได้ผลลัพธ์ทุกคนได้ผลลัพธ์จริงๆไงไม่มีใครคนไหนที่ไม่ได้ผลลัพธ์เลยนะเพล่เพล่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนี่ยบางคนยังยังอย่างบางคนเนี่ยที่มีมีมีแบบยังไงเอาก็เอาคลิปผมไปใช้ก็ก็ได้ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาตั้งเยอะตั้งแยะนะ่ฮะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยที่ที่กำลังออนโปรเซสเดียวกันอ่ะอยู่ตรงเนี้ย เพจคิวอ่ะมันเปิดมาแป๊บเดียวมันเปิดมา6เดือนเองนะฮะเดือนนี้เดือนที่7ดเองนะฮะมันมีอะไรอีกเยอะฮะ ท, ที่ทุกท่า น, นะฮะในห้องนี้ที่กําลังดูคลิปผมอยู่เนี่ยจำเป็นต้องรู้นะครับก็อย่างแรกเลยฮะทัศนคติของคุณเนี่ยต้องใหญ่มากพอที่จะรองรับการเริ่มต้นได้การเริ่มต้นไม่มีไม่มีไม่ขู่ขานึกออกไหมฮะการเริ่มต้นไม่มีไม่ขู่ขาเริ่มต้นนี้ต้องต้องต้องมีฮะต้องมีปัญหานะฮะคือผมจะเป็นคนสไตล์แบบคือ ถ้าเราถ้าเราเป็นในระดับผู้บริหารนะผมจะผมจะคุยกับทุกคนให้หมดเลยจะคุยให้หมดเลยฮนะแล้วก็อ่ะคุยอ่ะมาปัญหาตรงไห น, นมาปุ๊บพอเสร็จแล้วปับ๊บนะฮะก็ทํางานด้วยกันนะฮะผมจะเป็นคนที่ไม่เกียดใครเลยนะครับนะฮะแต่ก็จะดูไว้เหมือนกันว่าอ๋อคนนี้ทํางานด้วยได้คนนี้ทํางานด้วยไม่ได้คนนั้นอ่ามีแบบนี้อ่าคนนี้เป็นแบบนี้อ่าคนนี้ฟังอ่าคนนี้ไม่ฟังก็ก็ต้องปล่อยบางทีกับผมก็ต้องปล่อย นับเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยผมใช้หลักสูตร Co สอินเดอะแมทเทอยู่แล้วนะครับคือผลลัพธ์ของใครของมันนะครับเราเป็นต้นเหตุของความสําเร็จของตัวเราเองและเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของตัวเราเองเหมือนกันถ้าวันนี้คุณยังทํางานในทิศทางแอคทีฟอยู่ก็คือคุณทำคนเดียวอยู่ไม่มีผู้นำเนี่ยนะครับคุณต้องสร้างเลเวลเลชจากระบบแล้วนะครับเข้ามาใช้ระบบก่อนนะครับเดี๋ยวพอคุณทําไปแล้วคุณค่อยไปทําเองก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ ความความพยายามของคุณอนะ่ะคุณก็ต้องมีนะในเรื่องของการเรียนรู้ต่างเนี่ยคือมันไม่มีใครสามารถเรียนรู้แทนคุณได้หรือทําแทนคุณได้อยู่แล้วอะนึกออกไหมฮะเดี๋ยวนะโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวผมอีกอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะจบไลน์นี้แล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนอนะ่ะตั้งใจทําแบบมืออาชีพจริงจริงนะการใช้งานการใช้งานต่างๆถ้าวันนี้คุณยังทําไม่เป็นคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้คุณต้องรีบฝึกครับ นะใช้ซ้ำๆลองทำดูฮะไม่ใช่แค่ว่าอย่างเช่นอ่ะผมบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ว่าถ้าลืมพาสเวิร์ดต้องแก้อย่างไงยังมาถามผมอยู่เลยว่าทีมงานลืมพาสเวิร์ดทำยังไงเนี่ออหรไหมฮนะมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีการพัฒนาเยอะแยะมากมายหมดอย น, นี้นะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนยังไงนะครับ อ, อะไรกันแนบสลิปทำยังไงนะฮะวิวคิดยังไงเนีฮนะบางทีเนี่ย คุณตอบทีมงานคุณไม่ได้ทีมงานขอคุณก็ต้องมาถามผมนะบางทีผมก็ไล่ไปถามคุณกลับนั่นแหละนะแต่ส่วนใหญ่ผมทําไงล่ะครับผมอะ่ะยินดีที่ตอบทุกคนนะแต่ผมอาจจะไม่ตอบเองผมใช้คลิปตอบผมก็ยังใช้ระบบเลยนึกออกหมครัผมไม่สามารถไปตอบได้หรอกอวันนึงอะ่ะคุณคิดว่าในไลน์ผมเด้งกี่ข้อความอะ่มอะเป็นพันนะฮะแล้วคําถามแม่งเดิมๆทั้งนั้นเลยกี่วิวเท่ากับ 1Q ึ่งคิอ่าพาสเวิร์หายค่ะลืมแคปหน้าจอค่ะสมัครผิดผู้สปอนเซอร์ค่ะพวกเนี้ยนึกออกไหม เนี่ยมันมันมันบ่งบอกว่าผมอะ่ะต้องจริงๆอะ่ะผมต้องแก้ปัญหารเรื่องพวกนี้เยอะนะผมบางคนอะ่ะอาจจะไม่รู้นะ บ, บางคนคิดอาจจะแบบว่าโอ้เห็นผมได้ยังงี้แผมสบายจริงๆไม่ใช่นะฮะผมยังทํางานหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับปัญหาสมาชิกในทีมงานก็ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยถอนคิวคิวไม่เข้าพอเราไปเช็คเนี่ยบัญชีธนาคารผิดบ้างใส่ข้อมูลไม่ครบบ้างเป็นคนละคนกันบ้างชื่อผิดบ้างอย่างเนี้ยมันก็มีฮนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราก็ต้องแก้ปัญหากันไปแต่สิ่งสําคัญเลยอ่ะ คุณนะ่ยตั้งใจทําอย่างมืออาชีพหรื อ, อยังตัวคุณเองเ่ยที่นั่งดูคลิปผมอยู่เนี่ยคุณเนะ่ยเป็นมืออาชีพในการทําเพลคิวหรื อ, อยังถ้าคุณเป็นมืออาชีพแล้วคุณจะสามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาครับนะบผมบอกเลยว่าผมตั้งแต่ผมตัดสินใจประสบความสำเร็จที่ผมตัดสินใจประสบความสำเร็จนี่นะทุกปัญหาผมเอาอยู่หมดนะครับทุกปัญหาผมเอาอยู่หมด คใครที่มีปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่เราต้องเอาให้อยู่ทั้งหมดนะครับใครจะบวยวายกระโตกกระเตงในกลุ่มเนี่ยเราต้องเอาให้อยู่ให้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่โจมตีมาผมก็ต้องเอาสมาชิกผมอยู่ทั้งหมดนะนี่นี่คือโดสของความมืออาชีพของคุณว่าคุณสามารถจัดการทีมงานของคุณได้ห่าแบบมืออาชีพนะครับเราเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนที่เป็นนักเลงผมไม่ใช่นักเลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราเราต้องดูแลและบริหารทีมงานของเราบางครั้งเราก็ต้องมีความเป็นเป็นเป็นลีดเดอร์ที่เด็ดขาดบบางทีเราก็ต้องยืดหยุ่นบางทีเราก็ต้องใจดีบางทีเราก็ต้องดุคนไหนคนไหนงองแง ง, งองแ ง, งบางทีเราก็ต้องเอาเขาให้อยู่นึกออกใช่ไฮะเพราะฉะนั้นนะอย่างให่คนตั้งใจทำจริงๆแล้ววันนี้หลักล้านเน่มันเป็นของคุณแน่นอนผมบอกเลยในระยะเวลาที่เท่ากันคุณฟังผมนะในระยะเวลาที่เท่ากัน นะครับถ้าทําแบบเดียวกันคิดแบบเดียวกันไปได้พร้อมกันนะครับผลลัพธ์มันออกมามันไม่หลุดออกไปจากกันหรอกนะฮะคือถ้าคุณทําแบบแบบมวยวัดอะถ้าคุณทําแบบเออค่อยๆทําก็ได้ทาแบบวันละห้าร้อยทำแบบวันละพันหนึ่งถามว่าทําได้ไหมได้ครับนะฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นมันจะเป็นโดสอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณทําแบบเฮ้ยเอาวะเอาไม่แบบยี่สิบ้านอะเอาไม่แบบหกร้านอะเอามันสักตั้งอ่ะ ภายใน2อสาปีนี้คือแตะแน่นอนแตะหลักร้านแน่นอนหรือแม้กระทั่งบางทีถ้าคุณทําในบิ๊กสเกลเหมือนที่ผมทํานะคุณใช้ระบบอย่างมีศักยภาพนะคุณสามารถเคลื่อนคนเข้างานฟังก์ชันไี้เป็นหลักร้อยหลักพันคนนะ่ยผมบอกกันนะว่าคุณแั๊บเดียวคุณแตะหลักร้านเลยในโปรเจกต์นี้ยแผนนี้เนี่ยมันง่ายนะโครงสร้างมาร์เก็ตติ้งอยู่นี่ยง่ายนะครับไม่ต้องผ่านเข้าใจเลยแต่ถ้าคุณผ่าคุณจะพบความมหัศาจรรย์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นหลายท่านก็ก็ก็เก่งเก่งอน่ย คือเก่งไงแต่ใช้ศักยภาพผมบอกเลยแปร๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เหนื่อยพวกนี้นะหรือบางคนอ่ะพูดพูดดีมากพอเราไปดูผลลัพธ์นะผมเองกระจอกมากพวกนี้นะฮะวัดกันที่ผลลัพธ์เลครับวัดกันที่ผลลนะัพธ์ฮะโปรเจกต์นี้นะคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะโฟล์ฟายดีมาจากไหนนะครับไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาคุยกับผมคุณจะมีคนเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องคุยกับผมผ ม, ผมขอดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะฮะขอดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะฮะโปรเจกต์นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่ามันไม่มีตําแหน่งมันไม่มีในเรรรื่อองงขยศศถาาบัก์ มันไม่มีประกาศสิทธิ์ใดๆนะฮะวัดกันที่ผลลัพธ์เลยดีกว่านะว่าคุณทําได้เท่าไหร่ผลลัพธ์จะเป็นตัวบอกเองว่าคุณเจ๋งขนาดไหนนะครับถ้าวันนี้คุณสามารถมีหลักหมื่นได้ต่อเดือนโอเคคุณเริ่มมาแล้วคุณเริ่มเจ๋งแล้วนะคุณเริ่มมีหลักหลายๆหมื่นต่อเดือนโอเคอันนี้ไอ้เริ่มเริเริ่มเเข้ามาเป็นแบบทีมทีมทีมแบบยังไงอ่ะทีมแบบคุณภาพแล้วถ้าคุณมีหลักแสนผมบอกเลยคุณกลายเป็นคนมีคุณภาพแล้ว เพราะว่าถ้าคุณทําแสนแรกเป็นคุณทำสิบครั้งคุณจะแตะล้านคุณฟังผมดีนะคุณทํา1ึ่งแสแรกให้ได้จากโปรเจกต์นี้คุณทำหนึ่งแสแรกให้ได้จากโปรเจกต์นี้เมื่อคุณทํา1ึ่งแสนนี้ได้คุณทำหนึ่งแสนนี้ยอีก9้าครั้งนั่นแหละฮะแตะล้านแล้วนะทํา1ึ่งแสให้ครบ10ครั้งแตะล้านแล้วเมื่อคุณทําล้านได้คุณทําล้านแรกได้คุณก็จะทําล้านสองเป็นเมื่อคุณทําล้านสองเป็นคุณก็ทําอีกหลายล้านเป็นนะครับนี่คือศักยภาพของโมเดลคุณทําเท่าเดิม คุณเองไหมคุณอยากได้หลักล้านใช่ไหมคุณอยากได้หลักล้านในงานแอคทีฟข้างนอกในโปรเจกต์อื่นๆคุณจะต้องคุณจะต้องตีหลังกาคุณจะต้องทําอะไรที่แปลกใหม่คุณต้องลงทุนเท่าไหร่นะฮะคุณจะต้องทํางานเยอะไปกว่าเดิมคุณอยู่ในคุณอยู่ในชีวิตแอคทีฟถ้าคุณอยากได้เยอะขึ้นคุณจะทํางานเยอะขึ้นถูกไหมอ่ะคุณลองนึกภาพคุณทํางานประจําคุณได้วันเท่าไหร่อ่ะคุณได้วันเท่าไหร่อ่าสมมติคุณได้วันละแปดร้อยอ่ะสมมตินะชั่วโมงละร้อยคุณทำงาน8ชั่วโมง ถ้าคุณอยากได้เพิ่มเป็นวันละพันคุณก็ต้องทำงานเพิ่มอีกสอชั่วโมงคือคุณต้องทํามากขึ้นคุณถึงจะได้เงินเยอะขึ้นถูกต้องปะแต่ในโปรเจกต์นี้ยเป็นโปรเจกต์ที่คุณทําเท่าเดิมคือคุณทําเท่าเดิมแต่คนรับคุณจะมากขึ้นเช่นคุณวางเป้าหมายไว้แล้วว่าคุณน่ยจะสปอนเซอร์วันละสคนจบวันละ2คนวันละ2คนนะ แล้วอีกวันหนึ่งคุณก็จะสปอนเซอร์วันละสคนเหมือนกันแต่ที่งานขอคุณเขาก็สปอนเซอร์2คน2คน2คนช่วยกันทําวันละ2คนวันละสคนวันละสค น, น, ส อ, คนอูแปบ๊บเดียวนะผมบอกแล้วว่าทีมงานคุณแบบใหญ่มันถึงมาเลยแต่วันนี้ที่มันไม่ใหญ่เพราะอะไรวะทําทอยู่คนเดียวไงบางคนนี่ยทาอยู่คนเดียวเลยทีมงานไม่ขยายเลยเรอออโต้เพลสอย่างเดียวเพราะไปใส่ความคิดของเขาว่าอยู่เฉยๆก็ได้ก็ได้เงินใช่มันอยู่เฉยๆก็ได้เงินนะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะได้สิบบาทเอาไหมฮนะ เนี่ยฮะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะว่าบางทีอะ่ะคุณก็ไปใส่ความคิดทีมงานให้กับทีมงานแบบว่าอยู่เฉยๆก็ได้เงินโอเคโครงสร้างของตัวเพลสอะมันทําให้อยู่เฉยๆก็ได้เงินแต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่เฉยๆอะ่ะนึกออกใช่ไหมคืออย่างน้อยช่วยกันทําดิช่วยกันทำหน่อยนะฮะช่วยกันทําหน่อย22งอะ่ะทำไว้ให้แล้วอ่ะนะฮะระบบตัวเนี้ยเกมเนี้ยเล่นพร้อมกันนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาแล้วจะแบบมาเอาแต่มาเอาแต่ 10% บเอรลอินแต่หนึอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะ มาก็ช่วยกันทำหน่อยนะฮะมีทัศนคติมี mindset ดีๆหน่อยนะครับอย่ามากินแต่1นะึ่งเนตะเดี๋ยวพวกนี้พอพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ก็จะไม่มีใครรู้จักนะฮะก็จะไม่มีใครรู้จักนะครับเล่นกันหน่อยนะเกมสองสองสองนะครับอย่าให้ทีมงานมีทัศนคติในการรอคอยให้เขามีการขยายไปนะครับคือบางทีเนี่ยเราก็แบบว่าเอา่อ เห็นเห็นบางคนอ่ะโหได้คิวเยอะมากนะโอ้โหได้คิวเยอะมากแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีไม่มีแม้กระทั่งคอนเทนต์คุณลองนภาพไม่มีแม้กระทั่งคอนเทนต์น่ยนะไอ้พวกนี้น่าเกลียดมากไอ้พวกนี้น่าเกลียดมากนะฮะก็ใส่ความคิดของเรานะครับให้กับทีมงานที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าคือบางคนอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะบางทีก็อาจจะเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาได้เช่นการอัลต์เพรสการอัลต์เพ เป็นการช่วยเหลือทีมงานที่ดีที่สุดแต่อย่าให้เขามีความคิดในเรื่องของการรอคอยเขาต้องทำด้วยตัวเขาเองบ้างนะครับเขาต้องทำด้วยตัวเขาเองมากเขาต้องมีการสร้างคอนเทนต์บากและที่สำคัญคือทุกคนต้องทำหกสเตปเป็นใน The Passion หรือว่าใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมนี้หรือไม่เป็นทีมนี้ถ้าคุณทำหกสเตปเป็นคุณเอา6สเตปไปใช้คุณเอาห้าเครื่องไปใช้ยังไงทีมคุณก็โตนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับโฟกัสในเรื่องของระบบ 100% ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้แบบอยากจะล้างสมองใครเนรี่ยบว่าแต่ถ้ามันเป็นมันเป็นสมองที่แบบแย่ๆก็ล้างไปบ้างก็ได้นะนะฮะคือบางทีเนี่ยอย่าให้ชุดความคิดเดิมๆในชีวิตของคุณอ่ะมาปิดกั้นการเจริญเติบการเจริญเติบโตของคุณและถ้าวันนี้คุณคุณยังทําผลลัพธ์ได้ไม่มากพอเนี่ยนะครับอย่าพึ่งไปสอนใครนะครับหมายถึงว่าอย่าไปสอนคนที่เขาทําผลลัพธ์ได้มากกว่านะฮะ บ, บางทีก็ เหมือนสอนจราเข้ว้น้ำนะครับ ก, ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับใครที่จะใช้ในเรื่องของแ a ช s ั่นซิสเต็มเราก็ให้ใช้ให้ยินดีให้ใช้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดๆก็ตามนะครับอคอร์สนะฮะคอสฟังชันต่างๆที่มีให้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าใครที่เข้าคอสต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ทำเอ า, เอ า, เ, อาเอาความรู้ในคอสสนองมาทำนะผมบอกเลยนะว่าคุณได้ผลลัพธ์แน่นอน คุณได้ผลลัพธ์แน่นอนแต่ถ้าคุณไปเรียนคุณจ่ายเงินไปเรียนนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคุณไม่ได้ออกมาใช้คุณไม่ได้ออกมาส่งต่อก็เท่านั้นนะจ่ายเงินไปเรียนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้ทุกคนเรียนฟรีในส่วนของคอสแอดวานนะครับอันนี้บอกเลยนะครับใครที่จะสอนฟรีก็ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมบองเลยว่าการโฟกัสเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนนะครับและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมผมเป็นคนหนึ่งที่มีของเยอะมากในหัวสมองผมเนี่ย วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยผมบอกเลยนะว่า <S <S พอยเดียวก็คือในเรื่องของเรื่องที่เราพูดเนี่ยพอยเดียวยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณต้องรู้เราจะหลีกกันตลอดเส้นทางจนถึงระดับแบบคือเอาง่ายๆคือคุณขับเบ้นต์มาบ้านผมอ่ะคุณขับแลมโบมาบ้านผมอ่ะเราบินไปเที่ยวด้วยกันแบบเฟิร์สคลาสเอาแม่งอย่างนั้นเลยนึกออกไหมฮะใครใครที่จะไปอย่างนั้นพร้อมผมบ้านกดก้ามาเลยฮะใครที่จะไปแบบคือแบบ คือมาหาผมคือมึงต้องขับเบน์มาคือต้องขับแลมโบมาหรือว่าเราไปเที่ยวกันต้องนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสอะไรเงี้ยนี่กดเก้ามาเลยใครจะเอาอย่างเง้กับผมบ้างกดมาเลยนะฮะขับ v i ออไม่เอาคือต้องขับเบนท์มาขับแลมโบมาแบบไปเที่ยวต้องแบบเฟิร์สคลาสหรือว่าแบบไปไปกินแบบใครสายแดกก็เดี๋ยวมามามามากับผมเลย คือไปกินอะไรดีๆกันนะ่ะเอาให้มันเป็นรางวัลชีวิตเนะ่ยเอาอย่างนั้นเนะ่ยคือใครที่จะเอาอย่างงั้นกับผม่กอเก้ามาเลยคือถ้าคุณจะทําโปรเจกต์เนี้ยมาทำห้าร้อยคุณคุณคุณคุณเพิ่มจากมาม่าไปเป็นเอ่ออะไรนะมาม่าใส่ทุกชิ้นได้แต่ถ้าคุณจะเอาแบบยี่ิบล้านกับผมอะ่ะเดี๋ยวไปกินปุ๊ไปกินแบบล็อบสเตอร์ไปกินแบบดีๆอะ่ะนึกออกไหมเออมันต้องอย่างนี้ดิไม่ใช่ว่าแบบทําอ้อยแออ้อยแอะอะไรแบบนี้คือ เฮ้ยรู้สึกว่าจะเอา20บล้านปะรู้สึกว่าจะเอาหกล้านต่อเดือนปะอย่ามาทํางองเงี้ยนะฮะทำแบบเอาจริงเอาจังกันนะฮะเรามาสร้างระบบให้มันแบบให้ให้มันแบบสุดยอดแหะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตัดเลยนะใครที่อยู่ใกล้ๆผมอ่ะกรุงเทพอ่ะงานวันที่ห้านะครับคุณพาคนใหม่คุณอ่ะเข้ามาที่งานนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอมาเห็นเซนเตอร์ขึ้นเวทีนะพอผมลีดเองด้วยนะผมบอกเลยนะว่าผมลีดแผ่งกันตลาดเองนะครับผมพูดเองนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พาคนใหม่มาผมบอกเลยนะว่าคนใหม่คุณแม่งไฟลุกอ่ะ แต่ถ้าใครไม่พามาก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่แค่เสียดายคือเสียหายไปเลยนึกออกไหมฮะหรือแม้กระทั่งงานเทรนนิ่งอ่ะคุณมาดูโค้ดหนึ่งคุณมาดูโคนะ้ดนัดคุณมาเห็นน้องเปาอะ่ะอายุ20แบบเนี้ยเขามีไรายได้เขามีการทํำวิวเขามีเทคนิคนี้หรือแม้กระทั่งมาดูพี่หนุ่อยเนี้ยทำแบบพวกคอร์สออนไลน์เนียทำยังไงอย่างเงี้ยเขามีไรายได้จากออนไลน์กันเป็นร้านๆเขาทำยังไงอย่างเงี้ยฮะคือคุณมาดูอะ่ะคุณได้สกิลกลับไปแน่นอนอะนะฮะแล้วคุณออกไปทำอะ่ะคุณแบบเอาสมุดมาจดเลยคุณเอาสมุดมมาแบบเเลล่ น, ลนะะึงย แล้วคุณก็จบทุกอย่างที่มีอยู่นั้นแล้วคุณก็ออกไปทําไปลีให้ทีมงานคุณส่งตอ่อทีมงานคุณอ่ะ <c oughs> แล้วก็ไปบอกมันไอคนที่ไม่ชอบมางานเนี่ยเออถ้าไม่ชอบมางานมึงไปเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สตอมเลย500บาทนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปทําบุญด้วยเผื่อบุญจะหนุนนาให้มางานฟังก์ชั่นบ้างแบบนี้ไปบอกมันอย่างนี้เลยนะฮะหรือว่าลากมันมางานฟังก์ชั่นอย่างเงี้ยนะฮะไปบอกมาแล้วเดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันไลยมาโต Pokemon ไปตรงเนี้ยแล้วแบบรวยไปด้วยกันเลยเอาแบบหลักล้านอ่ะอย่ามาทํำเล่นๆขำๆฮะถ้าคุณทำเล่นๆข มามามางาน่ะหรือใครที่จะแบบเอาจริงๆอ่ะคุณมานี่เลยคุณมาซ u เปอร์เทรนนิ่งไปเลยนะฮะมาเรียนกับผม6ชั่วโมงอ่ะมันแบบเออมันมันได้อะไรบ้างหรอวะที่ออกไปทำต่อให้มันจำไม่ได้6ชั่วโมงอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะสมุดของคุณ่ะจดไว้เถอะแล้วทำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะเข้ามาอยู่ในอยู่ในส่วนของ System การเรียนรู้ของเรานะครับมันจะทำให้คุณทำงานง่ายนะครับผมสรุปลยนะมันจะทำให้คุณทางานง่ายบางคนนะ เนี่ยคุณเห็นหในคอมเมนต์นี่บางคนอะ่ะอยู่ต่างประเทศอะ่ะอยากจะมาเรียนแทบตายไม่ได้มานะ บ, บางคนบินมาด้ทั้อย่างพี่โคดาด้าบินมาหาผมเลยนะนะครับจากอังกฤษนะครับแต่บางคนะ่ะผมจัดงานอยู่พุทาวิชาลายัยใช่ไหมบ้านอยู่กเกษตรยังไม่มาหาผมเลยหรือบางคนอะ่ะอยู่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเงี้ยเช่นแบบนครนานนยกหรือนคอนปรปฐมอะไรเงี้ยอุย้ยไกลไม่มีรถเออเรื่องของมึงเลยนะฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนะมาอย่างอ่านี่โคดนัด โค้นัดเนี่ยมาทุกงานไม่มีงานไหนที่โค้นัดไม่มาหรือบางทีนะไปต่างตามต่างจังหวัดเนี่ยโค้นัดยังตามผมไปเลยฮนะเพราะฉะนั้นมันมันมันมันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ที่ว่าคุณไปแล้วคุณได้อะไรทีมงานของคุณเคลื่อนมาแล้วได้อะไรนะฮะนี่ฮะมาฮะคือแบบงานวันที่5แล้วก็ใครจะเข้าซูเปอร์เทนนิ่งกับผมเรียน6ชั่วโมงอะ่ะมาเลยฮะ800มีข้าวให้มีเบรกให้เดี๋ยวดูสถานที่ด้วยคิดว่าคงเป็นห้อง v ีเหมือนกัน นะฮะเอาอะเต็มที่อะหกชั่วโมงอะผมสอนเต็มที่อะคือถ้าใครออกไปใช้อะใครคิดได้เหมือนผมทําได้เหมือนผมแล้วก็ใช้ระบบเหมือนผมอะคือยังไงก็รวยอะนะฮะผมบอกเลยนะว่าเอาจัดแบบเจ๋งๆเลยอะนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไงคือถ้าจะมาอีกหน่อยอะผมบอกเลยนะว่าถ้าใครจะมาบ้านผมอะอย่าขับมาวีออสะนะฮะอย่าขับมาซิตี้อะนะอย่าขับมาพวกแบบอะไรนะคุณแบบขับมาเหอะขับเบนซขับแลมโบอะไรมานะฮะเอาแบบนั้นกันเลย นะฮะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวดีๆกันนะฮะมีเงินเนะ่ยในกระเป๋าอะ่ะพบกันไปแบบเป็นแสนแสนเป็นล้านๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็บัตรเครดงครดิตอะไรแบบอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะใครที่ยังไม่โฟกัสความสําเร็จอีกนะหลังจากดูไลฟ์ผมคลิปนี้นะนะครับคุณไปคุยกับตัวเองแล ว, ว่าเฮ้ยจะใช้ชีวิตยังไงวะเอ้ยตกลงเราจะเอายังไงวะในชีวิตของเราเนี่ยนะฮะจะเอาไหมดัแบบ พลิกชีวิตอ่ะคือโอกาสพลิกชีวิตของคุณอ่ะมีแน่นอนอ่ะที่เพจคิวๆอ่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่ะจะศึกษามันทําความเข้าใจมันแล้วทำมันตรงๆหรือเปล่านะหลายคนนะนะครับไม่ไม่เข้าใจการใช้ระบบแต่พอมาใช้ระบบผมบอกเลยนะว่าเห็นผลลัพธ์เยอะมากบางคนนะจัดงานครั้งแรกสองครั้งแรกไม่มาฮะไม่มานะผู้นําหลายคนไม่มาแต่พอมาแล้วเคลื่อนคนเข้ามาโหผมบอกเลยแม่งเกิดศักยภาพโหไปแบบโลดอ่ะโลดเลยอ่ะ เนีออกไหมฮะเพราะฉะนั้นฮะพาคนของคุณพาตัวคุณเข้ามาอยู่ในข้อมูลบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวเราสําเร็จแล้วเนี่ยเราเหนื่อยแป๊บเดียวเนี่ยเราสําเร็จแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะฮะมาช่วยกันบุกเบิกสิฮะมาเป็นมาเป็นกุป๊ปมาเป็นก้อนเดียวแล้วมาช่วยกันบุกเบิกฮะในพื้นที่พื้นที่เนี้ยแล้วลุยฮนะแล้วลุยเลยเพราะเจกต์นี้มันไม่มีอะไรฮนะก็คุณก็ทำเพคคิวคเนี่ยเหมือนดูคลิปมาเนี่ยทุกคลิปเนี่ย ยังไงคุณก็ต้องรวยอ่ะเพราะอย่างเงี้ยนะฮะข้อคิดเห็นน่ยปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันมันถึงจุดจุดหนึ่งนะที่ไอ้พวกข้อคิดเห็นของคนแบบที่มันมาโจมตรงโจมตีพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมาเห่าไปเลยพวกเนี้ยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นฮะเราอ่ะเคยผ่านอุปสรรคทางชีวิตกันมาเราเคยจมดิ่งอยู่กับห้องออฟฟิศเราเคยทำแต่งานประจํามาเราเคยลงทุนขาดทุนเราเคยไปตกหลุมพังมันนี่เกมเราเคยทำขายตรงไม่สําเร็จ มานี้มาตรงนี้มาใช้ passion system เนี่ยมาเนี้ยเดี๋ยวมึงสำเร็จแน่นอนเดี๋ยวคุณสำเร็จแน่นอนนะโทษทีฮะ ค, คือ feeling นะ feeling มันไปนะฮะคือคุณมาตรงนี้สำเร็จแน่นอนนะฮะลุยแล้วทำอย่าหยุดทำจนถึงอย่าไปนับครั้งชวนคนมาแล้ว1 0คน20คนไม่ใครเอาเลยเนี่ยชวนใครไม่ใครเอาเลยนะฮะมึงไปรีเช็คก่อนมึงทำงานยังไงแต่ทำจนถึงผลลัพธ์ทำฮะทำเดี๋ยวได้แน่นอนนะฮะ เดี๋ยวโอเคไม่เลยไปกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่าผมก็จะพักผ่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะใครนะที่ยังไม่ได้ส่งต่องานฟังก์ชันหรือแม้กระทั่งพวกคลิปต่างๆเนี่ยหรือใครยังไม่เคยตัดสินใจที่จะดูหรือใครยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะสําเร็จในพอจากนี้คุณไปคุยกับตัวเองให้จบคุณไปคุยกับตัวเองให้จบว่าจะเอายังไงกับชีวิตวะนะฮะทำไปเลยฮนะจนถึงผลลัพธ์ของคุณนะครับแล้วคุณจะแตะหลักร้านจากเงิน1น0 0งพับาทของคุณจากที่นี่นะครับ นี่คือ Passive Income ที่เป็น Massive ที่เยอะมากพอที่คุณจะสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วคือช็อตเทอมและที่สำคัญคือคุณไม่เครียดอะไรเลย free, คอนเซิร์นแมงฟรีนะฮะคือคุณไม่เครียดอ่ะเครียดทำไมอ่ 1, นะเงิน 1,000 อบางคนเครียดเครียดแจักสิเครอยดอรสแตงยังอ้ยโทษนะฮะคือไม่รู้จะเครียดทำไมนึกออกใช่มฮะอยากเครียดฮะอยากเครียดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทำให้มันเกิดเลเวอเรจด้วยพ่อนำด้วยผู้นำนะทำให้เกิดเลเวอเรจด้วยระบบนะด้วยแพชชั่นซิสเต็มเราทำระบบมาให้แล้วนะจับต้องให้ได้นะมาเข้ามาจับแล้วทำให้มันเกิดเป็นเป็นเป็นบิ๊กสเกลที่ใหญ่มากขึ้นเนะี่ยคุณลองนึกภาพนะวันนี้คนของเรานะแค่ประมาณเกือบเกือบหน 66, คนนคะนะ่ะหก0น่ะ ยังขนาดเนี้ยยังแบบรายได้กันขนาดเนี้ยคุณลองนึกภาพเป็นแสนคนเป็นหลักหลายแสนคนเป็นหลักล้านยูเซอร์น ะ, ะตอนนั้นน่ะคุณจะมีส่วนต่างตอบแทนจากช่องทางในตลาดเนี้ยขนาดไหนน ะ, ะเนี่ยฮะเอาเลยทําเลยนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเป็นใครมันเกี่ยวกับที่ว่าคุณเลือกจะเป็นใครต่างหากโอเคไหมฮะเนี่ยง่ายสุดเร็วสุดสั้นสุดแล้วนะฮะลุยทำนะฮะนะฮะโอเคนะครับเอาละ ก็ไปดูคลิปห s สเต็ปของผมนะครับเคลื่อนของผมนะครับมีอยู่เนาะในกรุ๊ปนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ที่หน้า Facebook ของผมนะครับกสเต็ปกับ5เคลื่อนนะครับใครที่ยังไม่ตกผลึกเรื่องนี้ไปดูซะนะไปดูซะเดี๋ยวผมโพสต์ไปให้แล้วก็สำคัญเลยนะฝากออ2องฟังชันคือถ้าเอาจริงถ้าเอาจริงมา1วันที่ห้าร้อยเดียวนะฮะมาตัดบัตร ให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาพาคนใหม่เข้าห้องฟังชันนะนิวคิวคิวนะแล้วถ้าคุณยังไม่เคยมาคุณมาซะ Q Q. 2, นะิวคิวคิวองะถ้าคุณยังไม่เคยเอ่อยังไม่เคยเข้าห้องเทนนิงหรือว่าถ้าคุณอยากจะรู้ในเรื่องของผู้นำที่เขาทำงานยังไงให้คุณมาที่ห้องเทนนิงนะครับนะฮนะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะมาเป็นไพรเวทกับผมนะครับอยากจะเรียนกับผมหชั่วโมงให้คุณลงซะนะครับซเปอร์เทนนิง นะครับแล้วเดี๋ยวนะฮะจะพาทําหลักแสนก่อนนะครับเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมทําไว้นะครับแล้วมาใช้ซะนะครับจะได้เห็นคุณค่าของมันนะครับเดินทางมาลงทุนมาแน่นอนต้องเอาความรู้กลับไปเอากลับกลับไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วส่งต่อให้เยอะที่สุดโอเคนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสาหรับไลฟ์วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะฮะที่มา เปพื้นที่การฟังของผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็จะบุกป่าฝ่าดงไปพร้อมกันนะครับก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันพุ่งหมดแล้วนะครับทุกท่านมีเครื่องมือทุกท่านมีซิสเต็มทุกท่านมีผู้นําที่ยอดเยี่ยมนะครับทุกทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเอาหลักแสนหลักล้านกันจากโปรเจกต์นี้นะครับไม่ต้องเครียดนะครับทำโปรเจกต์นี้ทํากันง่ายๆนะฮะสบายๆนะครับสำหรับผมนะฮะวันนี้ก็สสััดีนะครบ บายบายบายบายบายบายโอเค